เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองปรากฏขึ้นแล้วนะบัดนี้วันนี้วันอังคารที่ยี่สิบห้ามิถุนายนสองพันห้าร้อยห้าสิบหกแรมสองค่ำเดือนเจ็ดปีมะสงน นวันนี้เราก็จะว่ากันไปตามเนื้อหาของรายการตามรูปแบบของรายการตมาก็พูดไปก่อนครึ่งรายการแ้วตอบประเด็นอีกครึ่งรายการผู้จะชมทางบ้านส่งประเด็นมาได้นในรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองนี้ส่งมาได้ทางโทรศัพท์สองหมายเลข หมายเลขที่1มีว่า0885859115กับ0885859116สองหมายเลขอีกทีหนึง08858 5, 8, 5 เก้าหนึ่งหนึ่งห้ากับศูนย์แปดแปดห้าแปดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งหกะอ้าผู้จะส่งก็เริ่มส่งมาได้เลยนะหรือว่าจะเพลินฟังที่อัตมาเทศแ ล, ล้วเผลอส่งมาไม่ได้ส่งนะตั้งใจดีๆจะส่งก็ส่งมาเลยตอนนั้นตอนนี้นะแล้วก็จะได้โอภาปรสาสัยกัน อ, อ, าอาตมาอทํารายการนี้มากันสองสามปีแล้วไม่เป็นสองสามกว่านะป่าสองสามปีรายการสงครามสังคมธรรมศาสการเมืองเนี่ยอ่าถึงหกปีชิลเอร์เราโทรทัศน์เราตั้งมาหกปีของเออส่งมาพร้พพอมๆกันสงครามสังคมมาเกิดที่หลังหน่อยหนึ่งไม่ได้จําว่าเมื่อไหร่นะเขาว่าเริ่มปีไปที่ไปชุมนุม ชุมนุมไหนล่ะชุมนุมตอนห้าสามอห้าสามก็สามปีเองสิชุมนุมเข้าก่อนห้าหนึ่งโอห้าหนึ่งก็ห้าปีละห้าหนึ่งห้าปีหกปีนะ่าประมาณนั้นอ่าก็ได้ความรู้นาะพู้ที่ได้พู้ที่ไม่ได้ความรู้ก็ได้นะได้ความขัดข้องนะขัดข้องใจยิงนะงจย่งขึ้นก็มีน่าูนขัดข้องใจยิ่งขึ้น เพราะฉะนั้นเราก็เลยมีท่องทางให้ส่งเอสเอ็มเอสมานะจะขัดข้องใจยังไงก็ส่งมาเราก็อภาประสัยกันเท่าที่โอภาประสัยได้อันใดที่พอเป็นไปกันก็ว่ากันไปนะที่อาตมาต้องพยายามแก้ไขต้องเรียกว่าแก้ไขนะ่ะ อาตมาแก้ไขไม่ได้แยง้งไม่ได้เฉียงนะแต่อาตมาพยายามแก้ไขผู้ที่ส่งเอสเอชมาแล้วมันขัดแย้งกับที่ที่อาตมาบรรยายไปอาตมาก็จำเป็นต้องแก้ไขเพื่อที่จะให้มันชัดเจนประเดี๋ยวจะสับสนผู้ฟังโ อ, อ้ยอย่างนี้ก็มีนี้แล้วยังไงมันยังไงก็ยามก็พยายามบอกให้มันตรงประเด็นกันว่าอ่าอย่างนี้นะอาตมาเห็นอย่างนี้ท่านก็เห็นอย่างนั้นการเห็นที่ต่างกันนั้นเป็นธรรมชาติของคน บังคับใครไม่ได้หรอกทุกคนมีความฉลาดเท่าที่ตนเองโง่หรือทุกคนก็มีความโง่เท่าที่ตนเองฉลาดมันเป็นธรรมดานะก็ได้เท่าที่ตนเองมีภูมินะมีภูมิธรรม ท, ที่สามารถเข้าใจได้นะ่นะเพราะงั้นแม้ความมีภูมิธรรมนี่ก็ต่างกันนะ่ คุณแปดเจ็ดศูนย์ห้านี่เป็นผู้ที่มองอะไรแตราอาตมาอยู่อย่างเอาเป็นเอาตายเลยตอนนี้ดีนะอาอตมา ก, ก็ยังขอบคุณอยู่เรื่อยๆก็ยังขยันส่งเอสเอมเอสมาซึ่งหลายอย่างหลายอันบางทีมันมากไปอาตมา ก, ก็พักไว้่าถ้ามันพอเป็นพอไปก็ว่ากันไปโดยไม่ได้เบียดได้ชังไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องอีจนาระอาใจอะไรนะก็เป็นเรื่องที่ าเทว่าจริงๆแล้วต้องขอบคุณอย่างที่อาตมาพูดไปแล้วนะไม่ใช่ว่านี่พูดลงใจจริงนะไม่ใช่พูดประชดประชันอะไรนะพูดเรื่องจริงนะเพราะงั้นก็จะคบคาคบหากันไปอ่าแม้ว่าจะใช้คําหนักกับอาตมามาบ้างนะอะไรต่อะไรมาจะขมจะดูถูกดูแคลนอะไรมาก็ไม่เป็นไรอาตมาเข้าใจนะเข้าใจก็รู้ว่าเขาจะต้องขมเพราะว่าเขาก็รู้ว่าเขาเขาเขาคง เขาจะข่มคนอื่นก็หมายความว่าตนเองก็จะต้องมีลักษณะสูงกว่าเด่นกว่าเนื้อกว่าแล้วก็ข่มที่มันมันมันไม่มันมันต่ากว่าหรือมันไม่ถูกต้องมันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติผู้ที่รู้สึกอย่างนั้นเช่นเราอาตมานั้นอาตมาว่าพยายามที่จะไม่ให้มันมีในยาที่ไปข่มแต่มันก็ต้องเป็นจริงถ้าเราพูดสิ่งที่เนื้อกว่ามันก็ต้องข่มสิ่งที่ได้กว่าเป็นเรื่องจริงเป็นสัจธรรมอาตมาก็ไม่ได้สงสัยไม่ได้ อติตใจอะไรท่านจะข่มอาตมาอยู่แม้จะใช้วัวหารข่มเลยอ่าอย่างโง่อย่างนี้เลยอาตมาก็เข้าใจอยู่ว่าท่านคงจริงใจนะคงซื่อเนาะจะข่มกันดื้อนอน่ะบอกว่าโง่เขาจะบอกว่าฝ่าย เ, เอ้ยอะไรก็ว่ากันไปนะคือเห็นว่าอาตมารประมาณเป็นฝ่ายก็ยังดีนะใช้คําว่าฝ่ายไม่ใช้คําว่าควายแต่ก็พอเข้าใจได้ว่าหมายถึงควายก็ไม่เป็นไร อก็ฟังได้นก็ฟังกันซึ่งพระอาตมาเองอาตมาไม่ใช่คนมาสุขคิดอะไรนะที่แหม่คนด่ามาก็สบายใจชอบใจดีใจพอใจอะไรไม่ใช่ไม่ใช่คนมาสุขคิสอย่างนั้นอก็ก็เข้าใจอ่ะแต่ว่าก็ต้องรับฟังในสิ่งที่ผู้อื่นแสดงออกมาที่อาตมาทํานั้นอาตมาปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทรงพาธรรมในพระเจริญโด เล่มเก้านี่นะพระธรรมอิปปเล่มเก้าพระมุชารสูตรมีผู้ตําหนิติเตียนติเตียนพระพุทธพระพุทธเจ้าด้วยซ้ํานะพระพุทธเจ้าก็สอนภาษาวกนะพระพุทธเจ้าก็สอนภาษาวกว่าดูกระพิสทั้งหลายคนพวกอื่นจะพึงกล่าวติเตียนเราติเตียนพระธรรมติเตียนพระสงฆ์ในคําที่เขากล่าวตินั้น คำที่ไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ท่านบอกให้แก้นันไม่ใช่ให้ปล่อยเฉยผ่านไปนะคำที่ไม่จริงพวกเธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นด้วยความไม่เป็นจริงไม่เป็นจริงแล้วก็บอกไปว่าอย่างนี้ไม่จริงแก้เห็นว่าความไม่เป็นจริงว่านั่นไม่จริงแม้เพราะเหตุนี้นั่นไม่แท้แม้เพราะเหตุนี้นั่นก็ไม่มีในเราทั้งหลาย และคำนั้นจะหาไม่ได้ในเราทั้งหลายดูกราภิกสุตทั้งหลายคนพวกอื่นจะพึงกล่าวชมเราชมพระธรรมชมพระสงฆ์เธอทั้งหลายก็ไม่ควรเบิกบานใจไม่ควรดีใจไม่ควรกระเหิมใจในคำชมนั้ น, นดังนี้เป็นต้น น, นี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านกรัด แม้แต่คําชมนั้นคำที่จริงเธอทั้งหลายก็ควรปรติญญาให้เห็นด้วยความเป็นจริงเธอก็บอกอันไหนที่เป็นจริงก็ก็รับว่าเป็นจริงเราเราดีเราถูกเราเก่งอย่างนั้นเราก็ต้องรับไปถ้าเป็นจริงอะไรที่ไม่จริงเราก็บอกว่าไม่ใช่ไม่ถูกแล้วก็บอกไปอันนี้เราปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าปฏิบัติตามโดยจิตใจมีเมตตาจิตใจมีมีความยินไม่ใช่จะยินดีนดนก็ไม่ยินดียินได้ก็ไม่ยินได้อะไรหรอก แต่ว่าก็ต้องเป็นไปตามสัจจ์ความจริงนะอวานนี้วันที่24คุณ8705ก็ได้ทรงเอสเซเบสมาเหมือนกันณเอสเซเบสของเมื่อวานนี้มทีที่เขาเอามาให้อัตมาดูมีอยู่อย่างนี้มีหลายเจ้าอยู่เหมือนกันณเนะจ้าแรกณนะ เขาตําหนิว่าไปส่งไปออกอากาศอยู่ที่เมื่อวานนี้อัตมาออกอากาศอยู่ที่ปทนะุมวโสเป็นที่ไม่ใช่ที่ตรงนี้นะเป็นรายการเรียนอิสระเรียนเรียนอิสระนะไปถ่ายที่ปทุมวโสคุณ409บอกว่างั้นไปถ่ายที่ปทุมวโสทีไรและจอบุบทุกที ง, งันเขียนทุกเลยนะทุกทีอนะ จอวูบทุกทีได้ชมมิวสิคฟังเพลงอโศกฟรีนะพอจอวูบ ก, ก็จะขึ้ น, นตัวหนังสือบอกขออภัยน้ามันติดขัดอะไรก็ว่าไปแล้วก็เปิดเพลงให้ฟังไปฟรีนะก็ขอบคุณที่เอฟเอมบอทาให้แฟนธรรมหน้าจอรอดูเกอร์ก็ยังดีว่งงางังเออคนที่ใจดีแม่ไม่มันไม่ไมาคูกๆก็ขัด ก, ก, ก็ยังขอบคุณว่าก็ดียังได้ดูไม่เกอแต่ก็ รู้ ก, ก็คงเข้าใจผู้ที่เข้าใจอย่างนี้ไม่มีปัญหาอะไรนอกจากผู้ที่แม่จะเอาดังใจเท่านั้นแต่ที่จริงเราก็ไม่อยากให้มันเป็นนะแต่มันเป็นก็ต้องทําไปตามที่มันพอเป็นไปได้คุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าบอกว่าแปดเจ็ดศูนย์ห้านะบอกว่าพ่อท่านขออภัยเขาไม่ได้เคยเรียกอัตมาว่าพ่อท่านอัตมาว่าติดปากพอททรอนะเออพททร อ, อธิบายนามรูปเหมือนกับ ร, รัฐมนตรี กับนัทวุฒิที่ตอบปัญหาจำนำข้าวแบบไม่เคลียร์คุณแปเจสุนาว่า ง, งั้นบอกอาตมาเนี่ยอธิบายนามรูปเหมือนกระมมตกับนัทวุฒิที่ตอบปัญหาจำนำข้าวแบบไม่เคลียร์อาตมาก็ข อ, อยอมรับว่าอาตมายังไม่เก่งเท่าไหร่อาตมาว่าอาตมาทําให้เคลียร์มากแล้วนะทําให้ละเอียดใช้46เฟรมต่อวินาทีแล้ว แต่คุณ8705นี่ฟังแล้วไม่เคลียร์ก็เพราะว่าขนาดใช้สี่ลออเฟรมต่อวินาทีแล้วคุณ8705ก็ยังเข้าใจไม่ได้ก็แสดงว่าคุณเขาคุณ8705ยังยังรับไม่ได้ยังรับไม่ติดไม่เคลียร์เนี่ยไม่ไม่ไม่กระจ่างไม่ไม่สมบูรณ์ก็ก็ก็เรียกว่ายังยังรู้ไม่ได้แต่พวกเราฟังแล้วมีผู้ที่รู้ได้นะเข้าใจได้ไปตามลําดับ ก็อาจจะพอเข้าใจได้ไหมคุณแปดเ็สิบห้าแต่ว่าไม่เคลียร์เหมือนไม่ไม่สะอาดบริบูรณ์มันไม่เคลียร์และไม่กระจ่างชัดบริบูรณ์กอาจจะเป็นองนั้นก็ได้อก็เป็นไปได้นะก็อัตมาจะพยายามต่อไปว่ามันยังไม่เคลียรเ์เหมือนกับแค่รัฐมนตรีกับ น, นัทวุฒิ ต, ตอบปัญหาจำนำข้าวเท่า น, นั้นเองว่า ง, งั้นซึ่งที่จริงแล้วอัตมาไม่มีไม่เหมือนนะไม่เหมือนนัทวุฒิไม่เหมือนรัฐมนตรีเพราะว่าอันนั้นขโมกเม็ด เขาอธิบายไม่เคลียร์ขโมกเม็ดที่ว่าเหมือนนี่คุณเอแต่เจตสูน่านี่รู้อาตมาไม่ค่อยจะสมบูรณ์เท่าไหร่หรอกรู้ไม่ถูกตัวอาตมาเท่าไหร่เพราะอาตมาไม่ได้เป็นคนทีขโมกเม็ดแบบนั้นนอกจากอาตมาที่บอกมยอมรับว่าไม่เคลียร์ก็าอาตมาคงอธิบายไม่เก่งจนกระทั่งสามารถทําให้ทุกคนฟังคนที่มีภูมิขนาดในใ น, ในภูมิยังไม่ค่อยอีกจะ เกงกาดอะไรก็ยังสามารถฟังได้เข้าใจได้เอออาตมาก็พยายามอยู่แต่มันได้แค่นี้เนา ะ, ะเพราะงั้นคนที่ฟังแล้วก็เข้าใจได้ก็มีอยู่ก็พยายามจะให้คุณแปดเจ็ดศูนห้านี่เข้าใจให้ได้พยายามอยู่แม้ว่าจะรู้ว่าคุณแปดเจ็ศูนห้าเนี่ยรู้ยากรู้เข้าใจยากขนาดไหนก็ตามแต่เข้าใจยากเนี่ยก็เป็นเพราะอาตมาก็พอรู้อีกเหมือนกันกหลายๆในอตามหลักธรรมพระเจ้าสอนเอาไว้ว่าทําไมคุณแปดเจศูนห้าจึงเข้าใจยากอาตมาก็พอเข้าใจนะ แต่ก็ไม่อยากจะพูดออกไปอาจจะผิดนะมันอาจจะผิดเพราะอาตมาก็ปฏิาพานของอาตมาเข้าใจไปตามปฏิาพานของอาตมาว่าอาตมาเข้าใจว่าคุณแปดเจสูน่าไม่ค่อยเข้าใจอาตมาเท่าไหรเ่เพราะอะไรอ่าแต่มันก็ไม่อยากจะพูดไปทั้งหมดก็พูดบ้างอยู่แล้วนะว่าก็เพราะว่าบางทีก็หนึ่งไม่มีประโตโควะคือไม่อยากจะรับฟังอาตมาใ ห, ให้เป็นเป็นเป็นเป็นความจำใจเป็นชันทะ หือเป็นสุดสู้างอนะ ก, ก็มันก็ไม่เกิดปัญญาไม่เกิดความกระจ่างไดนะ้อัตมาไม่อยากจะมองไปว่าฟังอัตมาอย่างเพ่งโทษอัตมาไม่อยากจะไปมองอย่างนั้นนกะ็อยากจะมองไปในเงี้ยดีๆอยู่แต่ก็ก็คงเป็นเพราะที่ว่านั้นไปแล้วนั่นแหลนะอไม่รับเต็มมีอัตมาว่าอัตมาพูดถูกไม่มีประโตูโคศนะก็เลย ยากหน่อยแต่ถ้ารับเต็มๆสุดสูงฟังดีๆฟังด้วยดีใจดีๆเลยอาตรมาว่าน่าจะเข้าใจเพราะว่าปฏิภาณปัญญาของคุณไปดเจ็ดสุน่าแสดงออกไม่ใช่คนโง่คนฉลาดเฉลียวมีปฏิภาณปัญญาอยู่จริงๆนี่ไม่ได้พูดประชด น, นะพูดเรื่องจริงนะเพราะงั้นก็คนเราถ้าเผื่ว่าวันมีกิเลสอุปกิเลสอะไรขั้นอยู่มันก็เข้าใจยากมันก็จะเคลียร์ยากนะเคลียร์ไม่ใช่ว่าอาจามาไม่เคลียร์นะอามาพย์มายามทำให้เคลียร์แล้ว เอาสิเก่งที่สุดพยายามให้มันละเอียดให้ลงไปอนุโลมไปให้อีกให้มากจนกระทั่งในระดับปัญญาในน้อ ย, อยก็ยังพอเข้าใจได้นะแต่คุณแปดเจ็ดศุนหน้าก็ยังยืนยันว่ายังไม่เคลียรก็ก็จำนวนนะก็พยายามอะอัตมาจะพยายามต่อไปนะ <c oughs> คุณเจ2 2ศูนสองสองบอกว่าคุณปริศดามาร่วมจัดรายการกับพระครู ม, มีประโยชน์มากขอบคุณครับ น, นี่เป็นคนพัทรุงแล้วคุณแปเจนาอีกก็บอกว่าคนเป็นสิ่งมีชีวิตต้นไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตถ้าสมองบ้องตื่นแบบโพธิรักก็จะสรุปว่าถ้างั้นคนก็คือต้นไม้เหตุผลเพราะเป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันชั้นใดก็ชั้นนั้นเมื่อรูปคือสิ่งที่ถูกรู้ และนามนูเลปจิเจตสิกห้าก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ได้ฉะนั้นสมองที่แสนจะบ้องตื่นของโพธิรักษ์จึงสรุปว่าทั้งนั้นนามนูเลปเจตสิกห้าก็คือรูปเหตุเพราะเหตุผลเพราะเป็นสิ่งที่ถูกรูเหมือนกันเป็นไงคุณพิธีกรลองเอาไปคิดดูอย่าเป็นเหมือนควายแดงที่ให้แมวจูงจมูกได้ นะวางเงินเลยนะคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าอัตมาก็ขออธิบายตามประษาอัตมาอีกจะเคลียร์หรือไม่เคลียร์ก็ไม่รู้ได้นะอัตมาก็พยาพยามพยายามอยากจะให้คุณแปดเจ็ดศูนห้าเคลียร์จริงๆเลยคือคนก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตอัตมาก็อธิบายอธิบายตนมาก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตนะอธิบายอีกเหมือนกันยกคาของบาลีของพระ ของบาลีของหลักหลักฐานวิชาการของศาสนาพุทธมาอ้างอิงยืนยันเลยว่าคนนั้นเป็นอุปาทินากะสังขารส่วนต้นไม้นะั้นเป็นอนุ ป, ปาทินากะสังขารอ่าเป็นสังขารเหมือนกันเป็นชีวะเหมือนกันเป็นสังขารระดับชีวะเหมือนกันแต่เป็นสังขารระดับชีวะที่ไม่มีวิญญาณครอง ไม่มีกรรำครองสำห ต, ต้นไม้พืชเพราะมันเป็นพีชัญญามนานี่ก็ใช้ศัพท์พิจ า, ารณามาอธิบายเป็นพิชัิยามอาตมาไม่ได้สับสนอาตมาชัดเจนอยู่ไม่ได้ไปแล้วก็ไม่เคยพูดแต่คุณไอ้เจษสุน่าฟังแล้วไม่เคลียร์ฟังอาตมาพูดอาตมายืนยันแล้วพูดมามากพูดมานานแล้วพูดมาเยอะแต่คุณไอ้เจษสูน่าให้คนตามฟังจับประโยนั้นจุด น, นี้มาบ่อยเหมือนกันแต่คุณไอ้เจสุน่าไม่เคลียร์เอง ตอนนี้จับได้แล้วว่าไม่เคลียร์เองเอ่าไม่เคลียร์เองนะไม่ใช่ว่าเราพูดไม่เคลียร์แต่คุณแปดเจ็ดศูนห้าไม่เคลียร์เองอ่าอาจจะมาไม่ไม่ไม่ไม่บอกไม่พูดแล้วว่าทําไมถึงไม่เคลียร์ไม่เคลียร์เองนี่ก็เพราะคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้ามีกำลังรับได้เท่านั้นก็เลยรับได้เท่านั้นกำมังรับของคุณแปดเจ็ดศูนห้ารับได้เท่านั้นมันก็เลย รับอันนี้ไม่ได้หรือมันอาดรั่วก็ได้กระมังรั่วมันก็เลยดับไม่ไม่ได้ครบก็ได้นะก็ได้เท่านั้นนะสิ่งที่มีชีวิตนั้นเป็นคนนั้นเป็นจิตนิยามนะ่ะเป็นอุปาเินนกสังขารส่วนต้นไม้นี่เป็นอนุปาเทนกัสเนกัสสังขารสังขารที่มัน ว, วิญญาณคลองเพราะงั้นก็เอาละาบอกว่าสมองอาตมาเป็นสมองบังตื่นอนะไรก็เข้าใจว่าคนต้นไม้ก็เลยเป็นชีวิตเหมือนกัน สิ่งที่มีชีวิตเหมือนกันเหตุผลว่าสิ่งนี้เหมือนกัน <c oughs> ก็เลยบอกว่าทั้งนั้นก็คนก็คือต้นไม้นะสรุปเป็นหลักปรัชญาออย่างที่ว่าเลยนะอ่เพราะงั้นสิ่งที่มีชีวิตเหมือนกันนี่คนก็ต้นไม้ก็เหมือนกันสิก็คนก็คือต้นไม้สรุปเปี้ยงเลยนะพยายามที่จะจับอะไรอะไรมาว่าอาตมาว่ามันบงตืน้นั่นอะไรอาตมาก็ไม่เคยพูดนะแต่คุณ แต่เจษวุณพุดเองหยิบ ม, มาว่าอาตมาไปอย่างนั้นก็ขอแก้ให้มันถูกต้องตามที่พระเจ้าสอนมาพระเจ้าสั่งสอนอาตมาอย่างนี้อาตมาก็ทําตามว่าไอ้ที่อะไรไม่จริงก็ขอให้แก้ไปตามที่ไม่จริงอะไรว่าจริงก็จริงจะชมหรือจะติก็ไม่มีปัญหาอะไร น, ะ, นะเพราะงั้นก็ขออธิบายเท่านี้ก่อนก็แล้วกันแค่นี้เรื่องของที่คุณแต่เจษวุณ่าไม่เคลียจะเคลียขึ้นอีกนิดไหมว่า อาตมาไม่ได้เข้าใจอย่างที่คุณว่านะเพราะงั้นที่คุณแปดเจ็ดศูนห้าก็พูดตอบอธิบายต่อว่าเมื่อฉั้นใดก็ฉันนั้นเมื่อรูปนะเมือม่อใดเมือม่อเมื่อฉั้นใดก็ฉันนั้นเมื่อรูปคือสิ่งที่ถูกรู้รูปคือสิ่งที่ถูกรู้และนามลงเว็บเจตดสิบห้าก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ได้ฉะนั้นสมองที่แสนจะบ้องตื้นของโพธิรัก์จึงสรุปว่าถ่า ง, งั้นนามลงเว็บเจ็ดสิบห้าก็คือรูป น่าก็เลยสรุปว่าคนคือต้นไม้เพราะฉะนั้นชั้นเดียวกันเลยใช้หลักกาเรเดียวกันนำหลักปรัชญาเท็บเทียบเคียงว่าคนทีัรั์ที่มีสมองบอกตือก็เลยตีความเลยว่านามก็คือรูปเหตุผลเพราะเป็นสิ่งที่ถูกรู้เหมือนกันเป็นไงคุณพิธีกรพิธีกรก็ฟังเขาก็เขาเคลียร์นะเขาเข้าใจได้แต่คุณแปดจ็ศูนย์หน้าเองไม่เคลียร์ทั้งนั้นก็สมองก็คนละคนละมอง ไม่รู้ใครตื่นใครใครลึกก็ไม่รู้คนสมองคนละมั่งก็คุณกฤษดาที่เป็นพิธีกรนโดนถามว่าคุณไม่เกินเราเอาไปคิดดูอย่าเป็นเหมือนควายแดงที่ให้แมวจูงจมูกได้เพางั้นเออคนที่จะเป็นควายแดงที่ถูกแมวจูงจมูกได้ใครนาะเออต้องให้เป็นการบ้านคิดแทนตรงนี้ให้เป็นการบ้านคิดหน่อยนึงนะอาตมาว่าอาตมาอธิบายไปแล้วทวงแล้วตั้งแต่ต้นว่าอาตมาไม่ได้มี ความเข้าใจอย่างที่คุณแปดเจะดศูนย์น้าพูดโดยเอาหลักเทียบเคียงมาเทียบเคียงง่ายๆว่าสิ่งมีชีวิตคนก็อย่างสิ่งมีชีวิตต้นไม้ ก, ก็มีชีวิตเอามาเทียบเคียงอย่างแท้เลยนะเพราะฉะนั้นคนต้นไม้บอกเหมือนกันชั้นใดก็ฉันนั้นเพราะงั้นรูปคือสิ่งที่ถูกรู้นามก็สิ่งที่ถูกรู้เหมือนกันได้เหมือนกันเพราะงั้นสมองบ้องตื่นของโพธิละ ก, ก็สรุปว่า น, นามกับรูปเนี่ยนามก็คือรูปรูปก็คือนามเพราะงั้นเลยนะอาตมากับอาตมาสัญญาไม่ มันไม่ได้ไปสัญญาอย่างนั้นนะมันถ้าสัญญาอย่างนั้นมันวิปลาสอาตมาว่าไม่ได้สัญญาอย่างนั้นแม้สัญญาที่อาตมาว่าอาตมาจําได้ว่าได้อธิบายได้พูดไปสัญญาที่ความจําหมายถึงความจําก็ไม่เคยใช้สัญญาว่าได้พูด really so cool อย่างนั้นจําได้ว่าไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยนะอถ้าอาตมาว่าพูดไปแล้วมันมันมีหลักฐานพูดออกไปจริงว่าที่คุณพูดน่ะถูกอาตมาพูดนี่ผิดอาตมาเคยบอกว่า รูปก็เป็นคือสิ่งที่ถูกรู้นามก็สิ่งที่ถูกรู้ ก, ก, ร ก, ก็เลยเป็นอันเดียวกันรูปก็นามก็เลยเป็นอันเดียวกันอาจามาก็พยายามอธิบายเมือ่อวานอธิบายแทบแย่เลยนะว่าไอ้รูปเนี่ยมันมันจะมาถูกรู้นาะูปนี่เป็นสิ่งที่ถูกรู้มันไม่ได้มาเป็นนามมันมันมันมันเป็นอิทัปปเจยตาจะไปที่ว่ามันกลายมามันก็ไม่ได้กลายมาทีเดียว ก็พูดอยู่จําได้ว่าคําความพยัญชนะพูดก็จะพูดอยู่ดังนี้ว่ามันไม่ได้กลายมาเป็นแต่มันเป็นอิทัิปัจเจตารูปจะกลายเป็นนางก็พูดอย่างบัดๆได้ก็อธิบายขยายความตั้งแต่กายนอกกระทบรู้รูปกายนอกยกตัวอย่างไอ้สม ร, รากไม้ข้างหน้าวันนี้ก็มีเยอะพรลมหรากไม้มีลองคองมีมังคุดมีมะกรูดมีเงาะโบหลากหลายเนี่ยตาเราก็กระทบรูปข้างนอกเป็นกายนอก เสร็จแล้วความรู้ญาณปัญญาหรือนามรุณนามธรรมของเรานามธรรมของเรามันก็รับรู้รับรู้มันก็ต่อเนื่องเข้าไปสู่ข้างในไปสู่ข้างในก็เป็นกายในกายขยายอย่างนี้จากกายนอกเข้าไปเป็นกายเป็นองค์ประชุมอรตมาก็อธิบายย่ําแย่ว่ากายมันไม่ได้หมายถึงรูปไม่ได้หมายถึงร่างแต่กายมันหมายถึงองค์ประชุม มันเป็นองประชุมเป็นสิ่งที่รวมกันขึ้นมาหรือแม้แต่กายเนี่ยจะไปคิดว่าเป็นเรื่องของวัตถุรูปเท่านั้นใช่ข้างนอกเนี่กระทบวัตถุข้างนอกนจะเรียกมันว่ากายข้างนอกเป็นมหาภูตรูปก็ได้แต่ที่เราการาพูดถึงนี่ เรามีนามมาทำเรามีธาตุรู้ไปกระทบแล้วมันก็รู้ก็มาเป็นองค์ประชุมตั้งแต่นอกสัพพัสนอกมันก็ต่อเนื่องเข้ามาก็เป็นองค์ประชุมตามมาด้วยมาเป็นกายในกายกายในกายนี่มันจะเรียกว่ากายในกายตอนนี้นี่มันยังไม่ได้เป็นตัวรู้เต็มๆทีเดียวแต่มันก็รู้ตามมาเรื่อยๆเพราะนามมันอยู่กับกายนามฟังให้ดีนะคือจิตเจตสิกของเราเนี่อยู่กับกายนี่แหละเข้าไป อยู่ในร่างกายไม่ใช่อยู่ในกายอยู่ในร่างกายที่ทําหน้าที่ไปสัมผัสแตะต้องแล้วมันจะเห็นตามเข้ามานี่มันใชยห้าร้อยเฟรมแล้วนะเพื่อมันสี่จากสี่รอยแล้วตอนเนี้ยห้ารอยเฟรมต่อวินาทีแล้วนะแล้วมันก็เข้ามาเป็นกายตั้งใจดีๆนะอัตมาเห็นใจคุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าเนี่ยอยากให้เคลียร์เพราะว่าเก็บนมาแล้าพึงนพันว่าไม่เคลียร์อ่ นะซึ่งเอาไปเทียบกับนัตบุตรอาตมากแก้แล้วนะว่าไม่เหมือนนัต ม, มุมตรหมกเม็ดอาตมานี่คายเม็ดเท่าไหร่มีเท่าไหร่เอาคายออกมาให้หมดมันต่างกันคนละเรื่องเลยนัตบุตรกับรัฐมนตรีเขาเขาไม่เคลียร์อาตมา ก, ก ร, รู้เข้าใจอยู่กับเขาหมกเม็ดแต่อาตมาโอ้โหคายเม็ดทุกอย่างเลยลมีเท่าไหร่พยายามเอาออกมาโอ้โหเม็ดมันลึก ๆ, ๆอาตมาก็เด้งออกมาคายออกมาไม่ได้ไม่มีเจตนาจะหมกเม็ดเลยมีแต่เอาเม็ดคายออกมาเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้มุมนี้คุณเข้าใจอาตมาให้ถูกต้อง พอเปรียบเทียบเหมือนกันมันไม่เหมือนเลยนัยยะอย่างนี้ไม่เหมือนกันเพราะงั้นเมื่อกายในกายนี่เข้ามาข้างในมันก็ต่อเนื่องอยู่มีสัตติต่อคุณไม่ตัดคุณก็รู้ต่อเข้าไปธาตุรู้ก็ตามรู้ก็ไปอีกอธิบายต่อว่ากายในกายนี่มันก็กลายมาเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งเลยสังขารอัตมาใช้สัพ์บาลีเลยว่ามันก็เป็นภาพแล้วก็เป็นนามมีความรู้สึก มีความรับรู้มีอารมณ์ปรุงขึ้นมาเป็นสังขารสังขารปรุงขึ้นมาเป็นอารมณ์ถ้าชอบใจมันก็โอ้โหอินดีปรีดาเป็นสุขเวทนาเป็นอัตอิ อ, อ, อารมณ์และพูดหมดเมื่อวานนี้ก็ยังทวนมาฟังได้ที่นี้มันเป็นอิทธารมณ์นีิพยัญชนะที่พูดมันเป็นเวทนาก็เรียกตามพยัญชนะว่าอันนี้แหละกายในกายนี่อันเดียวกันนั้นต่อเนื่องมาใครฟังแล้วเนี่ย เอ า, อางนี้ที่นั่งอยู่นี่ใครโง่ที่สุดเออใครโง่ที่สุดยกมือทีเข้าใจไ้มที่อาตมาอธิบายเข้าใจไหมคืออาตมาถามคนที่โง่ที่สุดในขบวนนี้ใช่ไหมแล้วคนที่โง่ที่สุดตอบว่าเข้าใจเนี่ยอาตมาก็วางใจได้แลนะ้วเนาะเพาทุกคนฉลาดกว่าก็ต้องได้แล้วว่าคนโง่ที่สุดก็ยังเข้าใจอะใช่ไหมอาตมาก็ถามคนโง่ที่สุดในกลุ่มเนี่ยในขณะนี้อธิบายต่อหน้าเนี่ย คนโง่ที่สุดต่อว่าเข้าใจก็วางใจได้แล้วเออคนฉลาดมันต้องเข้าใจพอเข้าใจได้ซีกว่าคนโง่ที่สุดต่อแล้วยังเข้าใจได้อ่าก็คนที่ก็โง่กว่านี้ถึงจะเข้าใจไม่ได้นะทั้งโง่ที่สุดในที่นี้แล้วก็ยังเข้าใจได้นี่คนที่โง่กว่านี้ถึงจะเข้าใจไม่ได้มันก็ต้องอย่างนั้นอาจารมาก็ไม่รู้จะว่าไงก็ต้องพูดความจริงอย่างนี้เนาะอะ่เพราะงั้นพอมันมาเป็นกายในกายแล้ว มันก็เป็นสังขารธรรมเนี่ยอาจารมาเอาสภาวะจริงๆมาอธิบายเลยนะใครเข้าใจได้แต่ตามดูว่าุคนมีสภาวะที่อาตรมารพูดเนี่ยอาจามาไม่ได้เอามาจากตำราเล่มไหนหรอกไม่มีตำราเล่มไหนสอนที่บอกว่าอาตมาไม่ได้บรรยายตามสอนก็ถูกเพราะ น, นี่อาจารมาอธิบายขยายความเป็นอุเทศไงเอาข้อความเอาหัวข้อเอาหลักฐานธรรมะมาพูดมาขยายความเป็นอุเทศนี่แหละคือลักษณะอุเทศมันขยายความ เงั้นก็ฟังไปจากอันนี้ไม่ได้ออกไม่นอกจากหลักฐานความจริงมาเป็นกายเป็นสังขารธรรมแล้วความรู้สึกของสังขารธรรมที่รับอยู่นั้นมันเป็นจิตสังขารมันก็เป็นเป็นเวทนาเป็นความรู้สึกเป็นอารมณ์รู้รู้สึกว่ากระทบแล้วมันปรุงแต่งเป็นอะไรสังขารคือมันปรุงแต่งกันอ๋อมันปรุงแต่งเป็นสุขเป็นทุกข์ทุกทุกนี่คือเป็นความรู้สึกที่เรียกว่าอารมณ์ภาษาวิชาการเรียกว่าเวทนา แล้วก็มารู้เวทนาก็น่าจะเข้าใจได้ชัดเคลียนะเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไอ้เวทนาเนี่ยมันเป็นนามมันก็ใช่อ่ะถูกรู้มาจากรูปมหาภูตารูปข้างนอกมันก็ใช่อ่ะรูปมันก็เข้ามาเป็นนามน่ะนี่แหละลักษณะรูปมันมันเป็นมันเป็นนามข้างในเมื่อเราเกิดมีปฏิกิริยาระหว่างมีเหตุและปัจจัยเมื่อมีเหตุปัจจัยกระทบกันก็เกิดวิญญาณ ไอ้ที่รู้ตัวนี้จริงๆก็คือวิญญาณไอ้ความรู้สึกทุกข์สุขนี่ก็เป็นวิญญาณเกิดจากเจตสิกสามทั้งเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็เป็นวิญญาณอันะอนี้เป็นต้นนะนี่คือรายละเอียดที่อาตมาว่ า, วาอาตมาไม่ได้โมเมิ้งอาตมาพูดเป็นตามหลักวิชาไปตามชัดเจนความจริงด้วยนอะานะเพราะงั้นนามรูป มันก็เป็นลักษณะที่ว่าในนามคือตัวธากรูรูปคือตัวที่ถูกรู้นะหนึ่งจะควขยายความแล้วไม่ใช่เฉพาะแต่รูปที่มันเห็นด้วยตา ร, ยยรูปที่ได้ยินเป็นเสียงรูปที่ได้ได้กลิน่นได้กลิ่นเป็นกลิน่นรูปที่เป็นรสแตะเข้าไปที่ลิ้นรูปที่สัมผัสทางกายก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้ได้โดยนามเหมือนกันทั้งนั้นนะเพราะงั้นก็ ขอแก้ว่าคุณแปดเจ็ดศูนห้าแก้ว่าถูกเป็นอย่างนี้อธิบายให้ละเอียดขึ้นซ้ำและอธิบายขยายคิดว่าละเอียดกว่าเก่าก็หวังใจว่าคุณ8ป0เจนห้าจะเคลียร์เนา ะ, ะ, ะ <c oughs> คุณแปดเจ็ศูนห้าว่าไปอีกว่าโง่อวดฉลาดคลาดอวดกล้าคนบ้าอวดดี เดรธีอวดรู้คือแต่ละคราวแต่ละข่าวพยายามสรรหาคําจะแทกแดกดันว่าอาตมาเนี่ยนะเจ้อาตมาว่ามองไปในแง่นี้นะว่าหรือว่าคุณแปดเจ็ดศนย์าเจตนาจะกระแทกแดกดันว่าอาตมาถ้าว่าหยาบแรงอาตมาก็ทวงเอาบ้างไม่หยาบแรงนักก็อาตมาก็ปล่อยไปก็เลยอยากจะทวงทวงหาภาษาคำคำพูดอะไรอะไรมาเรียบเรียงมากระแทกแดกดันว่ากระแทกเป็นเชิง จะพูดก็คือด่าๆหน่อยนั่นแหละะขออภยัยออกใช้คํานี้อย่างอย่างเงี้ยว่าๆอย่างเงี้ยแต่ว่าโง่โอวดฉลาดมึงก็ธรรมดาตามมันเขากเรียกว่าดา่าอยู่แล้วเนาะขาดอวดกลา้าบ้าอวดดีอะไรมันก็ใช่ทั้งนั้นเนาะเพื่อที่จะให้อัตมาโกรธให้ดูหรือไงไม่รู้นะอัตมาว่าดีเหมือนกันนะลองดูเนะาะอัตมาจะโกรธทั้งเมื่อไหร่ <c oughs> นะะอัตมาก็ ดีเหมือนกันอาตมามีโจทย์คุณก็สร้างโจทย์มาอาตมาก็ได้ฟังโจทย์ไปก็โจทย์พวกนี้มันก็จะเป็นความจริงว่าเออแลอ้วอาตมานี่จะสอบได้หรือสอบตกอะไรเนาะมันก็ทําให้อาตมาได้ประโยชน์เหมือนกันนะว่าเออดีเหมือนกันเนาะอาตมาก็ได้ได้ดูตัวเองเช็คผลไปอ่านจิตตัวเองไปอ่าว่าเรามีอาการโกรธนั่นในจิตไม่มีอาการกระเพื่อมไหมอ่าอนเนนชาไม่ เป็นนิจจังทุวังสัสตตังวิปรินามะทั้งอสงฆรังสังกุ ป, ปังไม่อะไรเนี่ยก็เป็นทฤษฎีของพุทธเจ้าที่ให้เราปฏิบัติประพฤติมันก็เป็นกำไรนะอาตามา ก, กำไรไม่ขาดทุนทีนี้ทุนแปดเจดสูนหน้านี่ก็เลยก็เลยพูดเยอะๆยันยันอาตมาว่าโง่อดชลาขาดอดกล้าคนบ้าอดดีเดรัจฉีอดรู้ แต่แจกรูปยี่สิบแปดไม่ได้เลยนะว่ า, า ง, งั้นอัตมาเปิดแล้วตำรารูปยี่แปดเนี่ยอัตมาไม่เก่งรออัตมาไปเปิดตำรามาแล้วรูปยี่แปดเนี่ยแต่บอกว่าให้อัตมาอธิบายหรือแจกเดี๋ยวขอผัดไว้ก่อนนะให้ผัดไปสักก่อนให้อัตมาเอาเอาสลากยาแปะตัวสภาบ้าก่อนเพราะว่าอัตมาไม่เก่งสลากยาอัตมาไม่เก่งพยัญชนะอัตมามีแต่เนื้อ เพราะฉะนั้นเนื้อของรูปยี่แปดเนี่ยอาตมาว่าอาตมามีแต่อาตมาขอพิจารณาสลากยาก่อนเขาตั้งชื่อสลากยามาตัวนี้มันหมายว่าอะไรตัวนี้มันหมายว่าเนื้อยาอะไรเนื้อยาอะไรแล้วอาตมาจะมาแจกให้คุณฟังเมื่อเมื่อพร้อมอาตมาไม่ประมาทอาตมาแม้จะท่ามาจะบอกว่าเออไม่รู้จริงรู้จริงตอบโพสพสิไม่ต้องไปเตรียมตัวโอ้ไม่เตรียมไม่ได้เราไม่เก่งอาตมาไม่เก่งอาตมาไม่ใช่คนวิเศษวิเศษโซอะไรอาตมา ก็แค่อตอมาเพราะงั้นถ้าคุณอยากจะฟังก็ต้องใจเย็นๆเขาบอกว่าอยากกินอาหารอร่อยต้องใจเย็นๆเขาว่างั้นนะอ่าพวกทํากุ๊กุ๊กเขาว่างั้นอย่าใจร้อนปล่อยให้กุ๊กเขาทำสบายๆทาดีๆแล้วจะได้กินอาหารอร่อยๆใจร้อนี่กินอาหารไม่ดีนะได็กสุกๆเดิบๆเนี่ยเป็นไตได้แม่อ่าต่อมาอีกคุณแปดเจ็ศูนห้าบอกว่าแสงสี เป็นรูปเสียงเป็นรูปกลิ่นเป็นรูปอ่าตอนนี้ก็ดูดีคือคุณไปเจสูน่าก็บอกความรู้มาว่าเออเห็นแล้วว่าแสงสีเป็นรูปเสียงเป็นรูปกลิ่นเป็นรูปแล้วอ่าก็อาตมาก็ว่าก็ถูกต้องอาตมา ก, ก็เห็นตรงกันนะคุณเห็นอย่างงั้นก็ดีแล้วแต่โพธิรักษ์บอกเสียงเป็นอะรูปบ้าเป่า เป่านะไม่มีรอเรือโอ้ไม่มีร้อริงอบ้าเป่าว่างั้น่นเห็นบอกว่าเสียงเป็นอะรูปบ้าเป่าว่างั้นเออจริงๆแล้วนี่แม้คําว่าอะรูปในความหมายของอะรูปที่ขยายความจากรูปะรู ป, ปังกับอะรูปปจิตมันมีในยะสําคัญอยู่ต่างกันถ้าหมายถึงอะรูปน่ะ เสียงเนี่ยบอกว่าบอกว่าเสียงเป็นอะรูปมันเป็นอะรูปอาตมาก็ได้อธิบายดรสิไปเหมือนกับอากาศเป็นอะรูปมันมองไม่เห็นรูปร่างไม่เห็นรูปร่างนะเพราะฉะนั้นเรามองเสียงเนี่ยมันไม่เห็นรูปร่างแต่มันได้ยินน่ะอาตมาขยายความอยู่นะได้ยินแล้วคนนีได้ยินไม่เก่งโทรศัตว์หลายชนิดก็ขยายความอีกเสียงหลายชนิดเนี่ย คนไม่ได้ยินแต่สัตว์ไม่ได้ยินนะนั่นก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้่เป็นนามมารู้ว่าเป็นรูป ร, รูปเป็นสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่รูปะรูปังเป็นรูประรูปเเป็นรูปรกายข้อภายเป็นรูปรกายปรยัญชนามันมันเยอะคือเม่นองค์ประชุมเมื่อมันกระทบด้วยหู มันก็เกิดองค์ประชุมระหว่างหูกับเสียงแล้วมันเป็นอรูปในเรื่องของรูปะรูปังกระทบรูปคือเสียงนี่มันเป็นรูปะรูปังมันกระทบกับเราก็เป็นรูปประกายเป็นองค์ประชุมของรูปขึ้นมาแล้วเราก็รู้ได้ด้วยนามธรรมของเราด้วยนามธรรมของเราเป็นตัวรู้ถ้าเรารับรูปนี้ได้ รูปนั่นก็เป็นเป็นตัวรูปนะที่ถูกรู้เรียกว่านา ม, มารูปก็ได้แต่รูปประกายก็คือสิ่งที่รู้แล้วทากเข้าใจอันนี้แหละคนเข้าใจยากรูปปกอายเนี่ยนะเพราะกายเนี่ยเป็นองค์ประชุมรวมทั้งหมดทั้งอายตนาสิบสองกายเนี่ยรวมทั้งหกอายตนะทั้งหกทั้งสิบสองในแลอนอกกายเนี่ยองค์ประชุม และต้องมีผัสสะในธรรมของพระพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่มีผัสสะไม่เป็นฐานะที่จะบรรลุได้นะไม่เป็นฐานะเอาเอาเอาของคุณแปดจ็ดศูห้าตรงนี้ให้ให้ให้ให้ให้ชัดก่อนนะคุณแปดเจ็ดศูนยห้าว่ารูปอัตมาก็ขยายความแล้วเมื่อกี้ไม่รู้จะเคลียร์หรือเปล่านะว่าอารูปที่ว่าอันนั้นมันหมายถึงลักษณะที่อัตมาอธิบายแล้วมันไม่คล้ายคล้กับอากาศ มันเป็นอารูปเนี่ยคลาสสิกคือมันไม่ไม่ใช่รูปร่างไม่ใช่กระทบแล้วมันก็เห็นด้วยตาได้แล้วแต่มันเป็นเสียงก็อธิบายว่าเสียงนี่เสียงเสียงเป็นอารูปแบบนั้นอ้าวเพราะเสียงเป็นอารูปมันเห็นได้เปล่าเสียงเห็นได้ด้วยตาไหมนะแต่มันได้ยินด้วยหูเสียงมันไม่มีเห็นด้วยตามันเป็นเหมือนอารูปมันเหมือนกับเอลมมันเหมือนอากาศอัตมาว่างั้นอธิบายอย่างงี้เลยนะอัตมาอธิบายอย่งี้อ่า เสียงแต่มันดูได้ด้วยหูเสียงก็เป็นรูปเหมือนกันแต่รูปขั้นเหมือนอรูปอัตมาอธิบายอย่างนี้อ่าแต่คุณนี่ก็ยังไม่ค่อยเคลียก็ลําบากเนอกที่จะให้คนที่เคลียซึ่งบางทีก็บังคับมันสมองไม่ได้เนะาะบังคับมันสมองใครมันสมองมันมีมันสมองที่รับได้ดีคเคลียไว มันสมองรับไม่เคยดียด ก, ก็ไม่ ค, ค่อยเคลียนก็ยากอยู่นะคุณหกหกสองสี่เราบอกว่าตัณหาหกหกสองสี่เนี่ยไม่ใช่คุณแปดเจ็ดศูนหานะคุณหกหกสองสี่บอกว่าตัณหาไม่ใช่กายรูปรถกลิ่นเสียงตัณหานะไม่ใช่กายรูปรถกลิ่นเสียงตัณหาเป็นนาม คือแย้งคาว่ากายกับนามตัญหาไม่ใช่กายนะรูปรสกลิ่นเสียงนะ่ะกายรูปรสกลิ่นเสียงเนี่ยมีกายมีร่างมีร่มีภายนอกไงนะกายภายนอกแต่ก็รูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็กายสัมผัสได้ไปผดสะพะรูปรสกลิ่นเสียงแล้วก็กายอ่ากายสัมผัสก็จะไปปดสะพ่นะ รูปเรากินเสียงก็จะเป็นรูปเป็นเสียงเป็น อ, อกลิ่นเป็นรสอะไรเป็นนั่ น, นตัณหาเป็นนามเกิดในใจคืออาการความรู้สึกตัณหานี่เป็นนามเกิดในใจคืออาการความรู้สึก น, นี่คุณนี่พูดมาแค่นี้คุณ624บอกว่าตัณหาไม่ใช่กายรูปรสกลิ่นเสียงทั้งห้านะกายอะไนี้ไม่ใช่กายแยกมาต่างหา กายนี่คือหมู่ของข้า ง, งนอกทวาร น, นอกกายรูปรสกลิ่นเสียงเป็นถ้าจะเรียกกายสัมผัสหรือกายวิญญาณถ้ารู้มันก็คืออันนั้นอกายวิญญาณโสตวิญญาณขานาวิญญาณออะไรพวกนี้ต่างๆนา น, นา น, าน่ก็เรียกได้แต่ตัณหานี่บอกว่าไม่ใช่อก็ถูกสิตัณหาเป็นเจตสิกตัณหามันไม่ใช่ข้างนอก ตัญหามันข้างในปัญหามันมันคือตัวเกิดจากตัตโตต้นตัวจิตที่เราเป็นอุปทานนีมันเป็นอุปทานตัญหาอุปทานเป็นกิเลสอยู่ในในตัญหาเป็นนามเกิดในใจถูกแล้วคืออาการของความรู้สึกความรู้สึกนั้นโดยภาษาไทยเราแปลมาจากคําว่าเวทนาเป็นความรู้สึกเวทนาไม่ใช่ตัญหาถ้าจะแปลหรือว่าจะจับให้ถูกต้องโดยพยัญชนะเวทนามัน ก็เนื่องเกี่ยวกันกันกบตัณหานะตัณหาอีกตัวหนึ่งเป็นที่ทําให้เกิดเวทนาตามปฏิสุบะก็ว่าชัดเจนนาเวทนามีตัณหาเป็นปัจจัยชัดเจนเนะมื่อถูกรู้ขึ้นมานามรูปมันคือนา ม, ม ก, กายทีนี้เกิดเป็นนะเกิดเป็นสภาพที่ถูกรู้เป็นนา ม, ม ก, กายไนะนะอ อ, อ, อ, อ, อ, อตัวสัมผั แต่ถ้าตัณหาแล้วมันอยู่ข้างในอ่ตัณหามันอยู่ข้างในเป็นนามธรรมตัณหาเองเมื่อเวลามันจะทำงานมันก็ร่วมกันกับองค์ประชุมพอร่วมกันกับองค์ประชุมก็เกิดเป็นเวทนาน่าเกิดเป็นความรู้สึกนี่บอกว่าอาการของความรู้สึกเกิดในใจมันี่เกิดเป็นความรู้สึกได้มันก็ต้อง มาทําการปรุงร่วมการปรุงร่วมกันนี่เราเรียกว่า ก, กายเป็นองค์รวมเป็นองค์ประชุม อ, องค์ประชุมซึ่งยากมากเลยอาตมาบอกแล้วว่าเหตุอะไรคนทึ่เข้าใจคําว่า ก, กายยากเพราะคําว่า ก, กายคนเอาไปหมายถึงร่างกายคนไทยเนี่ยเอาคําว่า ก, กายยะกายโยของของบาลีเขาหรือโยเฉพาะของธรรมะเนี่ย มาเรียกร่างและ อ, อกกายเข้าไปพนหนวเข้าไปร่างกายมาเลยเป็นโครงร่างของอันนี้มาเลยไม่เข้าไปถึงตัวนามธรรมาจริงๆแล้วมันเป็นความสำคัญมากเลยว่ากายจริงๆมันหมายถึงนามธรรมามากกว่าคำว่ารูป อ, อัตมาโคตมาจากพจนานุกรมเลยนะเคยเอามาอ่านแล้วว่ากายเนี่ยมันหมายถึงหมวดเจตสิกสามเลย เวทนาสัญญาสังขารเลยตายเนี่ยมันไม่ใช่ร่างเลยนะเจตสิกเวทนาสัญญาสังขารมันไม่ใช่ร่างร่างข้างนอกมันไม่ใช่นะมันเขา้าใจยากกันมากเลยคนไทยเนี่ยเพราะว่ามันถูกใช้เอามาใช้เป็นภาษาไทยร่างกายก็เลยเติดใจคําว่ากายนี่คือแล้วก็เรียกเฉยๆว่ากายนี่คือกายเรียกว่าหมายถึงร่างนอกนี่เลยเพราะฉะนั้นเอาไป ใช้ให้มันครบขบวนความจริงของมันสมบูรณ์คำว่ากายของภาษาบาลีเนี่ยเลยไม่ไม่ค่อยง่ายยากเลยยากมากเลยร่างข้างนอกเนี่ยท่านเรียกว่าสรีระภาษาบาลีอะสรีระบอดี้ร่างข้างนอกเนี่ยอ่านะ เพราะงั้นก็เลยยากมากเลยมันไม่ใช่บินญาณไม่ใช่ธาตุรู้นะไม่ใช่จิตใจไม่ใช่เมนเท่าไม่ใช่ไม้ไม่ใช่อะไร่อะสิบริชูอะไรก็แล้วแต่ภาษาอังกฤษก็มีคำเยอะจะแปลแต่อาจาก็ยังไม่ชัดไม่เก่งเท่าไหร่หรอกเลยไม่รู้ว่าคําไหนมันจะแปลลึกไปถึงคําว่าจิตวรือิญญาณนอแต่มันไม่ใช่สรีระแน่นะไม่ไม่จะหมายถึงสรีระแน่ ตายเนี่ยไม่ได้มาถึงสรีร ะ, ะก็ดีนะพยายามอธิบายไปมันก็จะได้ละเอียดขึ้ น, นคุณ4027บอกว่าวันนี้พ่อครูดดเปิดของที่คว่ำให้หงายออกทำให้หายโง่โง่ามาดักดานแล้วกราบนะักวาการพ่อครูด้วยความเคารพอย่างสูงโอ้บอกว่าวันนี้พ่อครูเปิดคนนี้เคลียะ แสดงว่าเคลียร์มากเลยโอ้โ ห, โโหถึงขัดทราบซึ่งเลยแม้วันนี้งายของที่คว่มออกมานะนะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังต่อนะคุณแ7 0 5จะศูนย์ห้าจะว่าไงนะคุณแ7 0 5จศูนย์ห้าก่อนจะถึงอันที่บอกว่าว่านะคุณสี่ศูนย์สองเจ็ดจะบอกว่าโอ้โหพ่อครูเนี่ยเปิดของคว่มที่งายออกนี่ทำให้หายโง่ไปเลยนะคุณแ7 0 5จศูนย์ห้า เอาเอาเอาเอายเอาันต้นนี้ก่อนคุณไปจริญสบอกว่า <AST> โพ<ฟ>ธ <consensus> ิรักอ่านพระเตปิณดกแต่ไม่รู้ของจริงแปลพยัญชนะผิดหมดเพื่อให้เข้า ก, กับรัธิตนว่า ง, งั้นอ่าอ่าอาตมาขอยอมรับว่าอาตมาพยายามอธิบายให้เขา้ารัธิตนเพราะอาตมามั่นใจว่ารัธิที่อาตมายึดถืออยู่เนี่ยมันเป็นรัธิพระพุทธเจ้า ที่สัมมาเป็นลัทธิที่สัมมาของอัตมาแน่นอนอัตมาก็เลยอธิบายให้ตรงและอัตมาก็เห็นว่าที่ขัดแย้งกันอยู่หรือแม้แต่คูนแปดเศูนย์ห้าขัดแย้งอัตมาเนี่ยอัตมาเห็นว่าอันนั้นเป็นมิจฉาอัตมาก็พูดจิตตรงว่าอย่างนั้นมิจฉามันไม่ไม่ตรงไม่ถูกของพระเจ้าถ้าของพระเจ้าอัตมาเข้าใจอย่างนี้จริงๆเป็นสัมมาให้เข้ากับลัทธิตนถูกแล้วอัตมาต้องอธิบายให้เข้ากับลัทธิของตนยืนยันของตน นะส่วนคุณจะยืนยันของคุณอาตมาก็เข้าใจ <c oughs> อ <c oughs> ยู่อเข้าใจอยู่เพราะงั้นคุณเอาของคุณมายัดเยียดให้อ า, อาตมาก็อาตมาว่ายากนะก็คงจะยากเหมือนกับอาตมาพยายามจะว่าจัดเยียดก็คล้ายๆกันหเนาะยัดเยียดให้คุณเข้าใจคุณก็ยากอยู่เหมือนกัน่ะะอเพราะอาตมาว่าอย่างนี้มันคงยึดกันคนละยึดมันเป็นนานาสงวาสมันเห็นต่างกันแล้วต่างคนต่างถือต่างคนต่างยึดนะมันก็จะเป็นเช่นนั้น ทีนี้ไอ้ต่อมาสิคุณแปดเจศูนย์ห้าตอบคุณสี่ศูนย์สองเจ็ดเลยที่บอกว่าไม่ครูพราะครูนี่เปิดของที่คว่ำหงายออกทําให้หายโง่คุณแปดเ็ดศูนย์ห้าบอกว่าเขาให้คว่ำหมอ้อเพื่อกันไม่ให้ยุงวางไข่แต่โพธิรักษ์ดันเทศหงายหม้อที่คว่ำไปได้เรื่อยๆนะคุณแปดเจ็ศูนห้นี่ยป้าได้เรื่อยๆ่านะ ไปน้ำมีโครนก็นดำน้ำไม่มีโครนก็นดำไปเรื่อยๆน ะ, ะเขาให้ความเหมาะเพื่อกันไม่ให้ยุงวางไข่นั่นะเออไปนอนเอออาตมาไม่ได้เป็นข้าราชการสาธารณสุขนะนะแต่โพี่รักษ์ดันเทศหงายหม้อที่ความอาตมาว่าเป็นนักปรัชญาก็เป็นนักปรัชญาที่ใหาอาตมาให้คะแนนศูนย์เพราะว่าไม่ตรงประเด็นของปรัชญา ประเด็นที่ ท, ที่ควรจะเข้าใจนี้ว่าเขาหมายถึงอะไรเขาพูดถึงธรรมะเขาพูดถึงธรรมาฏิฐานดันไปเอาพฤติกรรมของอยุงที่มันหาไอ้าน้ําขังแล้วก็ไข่ที่มันอยู่ในฝาหม้อคือไปหยิบเอาอีกเรื่องหนึงใกล้ยำเอามาขยายความกรณี น, น, นะคือแทนที่จะเอาแพะชนแกะยังใกล้กันหน่อย น, นี่ดันไปเอาช้างมาชนกับแกะ มันไกลกันอยู่นะอาตมาว่าภาษามันอาจจะดูเป็นภาษาซ้ำซ้อนก็ว่าเป็นเป็นหม้อความห ม, อมออ้อ ง, งานข้าความกังหันเขาไม่ได้ใช่ว่าหม้อด้วยแต่คุณนี่บอกว่าความหม้อกังหันหม้อนี่เขาให้ความจะไปดันหงายอะก็เป็นภาษาที่คุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าคนการเล่นโวหารก็ค้าคารมไปนี่เป็นคำต่ะตัวอาตมาไป อตูกันมาตูกันไปก็เป็นธรรมดาเขาตูแต่ว่าอาตมาอาตมาว่าไม่ได้ตูคุณแปดเจ็ดศูนห้าเท่าไ ร, ร่เราแต่คุณแปดเจ็ดศูนย์ห้าในตูอาตมาเยอะนะตู่กี่ตูตู่หมายความว่าชี้ว่าอะไรมาให้ใครเป็นอย่างนั้นสิ่งไม่ไม่ถูกอะ่ะมันผิดแต่อาตมาว่าอาตมาไม่ค่อยได้ตูหรอกว่างี้ไปส่วนมากมันจะตรงไม่ค่อยจะตูเอะส่วนมากจะตรงเอะไม่ค่อยตูเท่าไหรหรอกนอะก็ ก็อธิบายไปบ้างเท่านั้นเองนะมันแปกเจ็ดสูหน้าว่าเดรัทธีย่อมเข้าใจเดรัทธีว่าเดรัทธีชอบหลอกตัวเองอเดรัทธีย่อมเข้าใจเดรัทธีว่าเดรัทธีชอบหลอกตัวเองว่าเป็นโลกุตระอยู่เหนือโลกอย่างนั้นนะว่าเดรัทธีนี้ย่อมเข้าใจเดรัทธีว่าเดรัทธีชอบชอบหลอกตัวเองเออพวกเดรัทธีไหนนาะเขาก็จริงใจของเขานะอาตมาว่าของรัฐที่อื่นเดรัทธีหมายความว่า ผู้ที่เข้าใจศาสนาที่ต่างไปจากความเป็นพุทธป็นเดรธีเพราะฉะนั้นผู้ใดเข้าใจศาสนาธรรมะพุทธธรรมเนี่ยเข้าใจพุทธธรรมเนี้ยต่างไปจากความจริงความถูกต้องของพระพุทธเจ้าคนนั้นเป็นเดรธีนะเพราะงั้นใครเป็นจริงก็เป็นจริงของคนนั้นนะแล้วก็บอกว่าช่อบหลอกตัวเองว่าเป็นโลกุตระอยู่เหนือโลกจะหลอกหรือว่าจะจริงเนี่ย ถ้าผู้ที่มีดวงตามีปัญญาที่แท้จริงจะดูออกว่าโลกุตระคือทวนกระแสโลกโลกุตระคือผู้ที่หลุดพ้นไปจากอำนาจของราบยศชนเสริญกามอัตตานั่นเป็นโล ก, กธรรมผู้ที่เป็นโลกุตระนี่มีจิตเลิกละปล่อยวางจากสิ่งเหล่านี้อยู่เนื้อสิ่งเหล่านี้เรียกว่าโลกุตระมันจะจริงหรือไม่จริงอัตมาก็ เห็นอยู่ว่าพวกเราเนี่เป็นกลุ่มหมู่ชุมชนจนเป็นสาธารณภีอคีมาอยู่มีทรัพย์สินอะไรก็ใช่ร่วมกันต่างคนต่างก็ทำมาหากินสร้างสรรค์ไม่ต้องเอาเงินดาวเงินเดือนทำมาร่วมกันกินกันใช้ซึ่งมันก็เป็นลักษณะที่ชี้มงยืนยันความเป็นจริงว่าเออเขาก็ทำได้ ใจของแกคนหลายคนเขาก็บอกว่าเขาก็สบายใจดีเขาก็ไม่ได้ติดใจติดยึดอะไรไม่ได้มาย่ำโลภอยางได้เป็นเราของเราอะไรอยู่เป็นเดือนเป็นปีหลายปีตายไปก็หลายคนแล้วก็ เ, เป็นสุขดีมีถึงขนาดว่าตายแล้วก่อนตายก็ยิ้มตายยิ้มเลยนะจำได้ไหมใครตายยิ้มอะอ่าเหมือนคำ ยมเหมือนคำตายยิ้มอ่ายิม้มแกก็บอกว่าแกจะตายยิ้มเออแกทำได้ตายก่อนตายตายตายิย้มก็เป็นสุ ข, ขไม่ได้ทุกข์อะไรมันไม่ได้ฝืนได้เฝืออะไรไม่ได้แกล้งเสแสร้งกดขม่มหรืออะไรต่างๆนานาอัตมาก็เห็นว่าอันนี้มันเป็นจริงเอาหลักธรรมุจ้าหลักตรัจธรรมะธรรมวินัยของพระเจ้าจิบแปดข้อเอากระทาวัตถุสิบเอาวันนั เก้าเอาสารนียธรรมหกพุทธพจน์เจ็ดอะไรแต่แล้วแต่ขอพรุทธเจ้ามาที่เปรี่ยวัดของเราอ่าพวกเรามีสารณียธรรมอย่างไรอเมตตาการกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามนโนกรรมมีสาธา ร, ร พ, พุทคีคือในสารนียธรรมนี้มีสาธุเราก็ทําได้ศีล ส, สามัญญาตาทิฏฐิสามั ญ, ญาตาเราก็มีนะแต่ถึงกัน คนนั้นคนนี้ก็ะระลึกถึงกันอยู่ในแวดวงของชาวเราเนี่ยอ่าปิย ก, กรณะมีการรักกันมีการเคารพกันเกื้อกูลกันเผื่อแผ่เชื่อจาจเห็นอยู่จริงเลยไม่ได้แกล้งตาบอดตาหนวกหูบอดอไม่ได้แกล้งตาบอดตาหนวกหูบอดอะไรเลยเห็นอยู่ว่ามันมีจริงอาตอมาก็ว่าอาตอมาพอมองลักษณะเป็นโล ก, กุตระนี่ออกอยู่ะก็ไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ตาบอดหูหนวกนะจนกระทั่งตาหนวกหูบอดก็ไม่ได้ถึงเป็นอยางงั้นนะมันก็มันมันไม่ถึงก็ขนาดสับสนกันจนกระทัง่งหน้าตาหนวกหูบอดเลยมันไม่นะก็เห็นชัดอยู่นะว่าเป็นไปได้เป็นจริงไปเพราะอาตมาว่าตมาเข้าใจโลกุตระโดยมีเอฮิปัสโกเชื่อเชิญให้มาดูได้สำหรับผู้ที่จะต้องการจะพิสูจน์ต้องการจะ มาดูว่าเป็นจริงได้ไหมอากาศิโกรจริงไหมสถิติโกรจริงไหมโอปปัญญโกรจริงไหมก็ก็ตาตรงตามสวาคาตะตธรรมพระพุทธเจ้านะคุณเปตเจสูน้าบอกว่าอารหันย่อมหมดโทษภัยแล้วแต่ทำไมอรหันศีเจ็ดพทรจึงไปติดคุกเสียได้อาเมนมีอาเมนด้วยเ น, ะนาะนะ อเมนนี่เป็นขอคลิกเขาคืออาตมาก็ไม่ได้แปลกใจอะไรหรอกนะจริงจริงอาตมาไม่ได้ติดคุกอาตมาเขาถูกวิพากษาว่าอาตมาเนี่ยมีความผิดตามหลักเกณฑ์กฎหมายปรอบให้อาตมาว่าจะต้องติดคุกเท่านั้นทน่านนี้แต่สุดท้ายก็บอกว่าก็ใช้ภาษาทางนิติศาสตร์เขาว่ารอลงอาญาไม่ต้องเข้าไปติดคุกอยู่ข้างนอกนี่แหละภายในสองปีอะไรเนี่ก็ แล้วก็อยู่สองปีเราก็อยู่อย่างเขาก็มีกฎมีเกณฑ์อะไรว่าต้องทางนั้นอย่างนี้ก็ตามเขาเขาเรียบร้อยผ่านไปแล้วจบนะไม่ได้ติดคุกติดเขาก็ออได้หรอกนะแล้วคุณแปดเจ็ศูหน้าบอกว่าอารหันย่อมหมดโทษภัยแล้วนะติดคุกก็ไม่ได้แต่ตะมาว่าอย่าว่าจะติดคุกเลยอรหันระดับพระมกคลาเนี่ยนะเป็นถึงขั้นสาวกเบื้องซ้ายของพระพุทธเจ้าเลยนะไม่ใช่แค่ติดคุกแล้วถูกฆ่าตาย่ะ ะจะบอกว่าอารหัน ห, หมดโทษหมดภัยเนี่ยคุณแ7 0 5จ็ศูนห้าลงไปทำการเข้าใจดูซิว่าขนาดอารหันแม้แต่อารหันตัสมารสมุททยายังโดนเทวทัตกลิ่นหินทับผาบห่อเลือดเลยมันเป็นโทษเป็นภัยตามความหมายของคุณแ7 0 5จัศูนย์ห้าไหมเนี่ยอตมาว่าจะเอามาทวงอตมาบอทษอัตมาจิกใจกิน แค่นี้เนาะแล้วอาตมาก็ยืนยันด้วยว่าอาตมาไม่ได้ผิดหลอกที่จริงไงแต่เอาเถอะอาตมาไม่ไปเถียงหรอกศาลจะตัดสินยังงั้นก็ว่ากันไปแต่อาตมา ก, ก็ขยายความไปหมดแล้วอามีหลักฐานอ้างอิงอะไรแต่อะไรแต่มันอยู่ในสังคมโลกมันเป็นอย่างงั้นอะโลกียะมันก็มันเป็นธรรมดานะอาตมาไม่อยากจะพูดมากนะอาตมา ก, ก็ไม่ได้จิตใจอะไรหรอกก็ถือว่าเป็นวิบากเรามันก็เป็นเช่นนั้นไม่มีปัญหาอะไรนี่นะ แต่ที่คุณแปดเจ็ดุหาเข้าใจผิดว่าอารหันย่อมหมดโทษภัยแล้วนี่จะต้องไม่ได้รับอะไรอะไรพวงนี้ปรับความเห็นสมัยให้เคลียร์ยังไม่เคลียรน์นะอาตมาว่าคุณแปดเจ็ดุห้านะพระมกขลานะนี่ไม่ใช่แค่ติดคุกตายค่าหลายเที่ยวด้วยจนยอมสุดท้ายยอมตายจริงๆเลยนะถูกทำร้ายหลายเที่ยวด้วยนะ หลายครั้งและไม่ได้ถูกทำร้ายด้วยอะไรทำรายทางศัตรูคู่ทางศาสนานี่แหละตรงๆนี่แหละนะอ่านี่ก็เป็นเรื่องของเอ s เอ็มเออาตมาก็นำมันนี้มาเป็นประเด็นในการอธิบายในรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองนะสำหรับวันนี้นะก็คงจะพอได้ฟังได้รับประโยชน์ดูเวลาแล้วก็พอจะพอพักสำหรับการอธิบาย คนเดียวไปโดยเอาอันนี้มาเป็นประเด็นสําหรับวันนี้นะก็ขอสรุปก่อนจะได้ไปตอบประเด็นนะจะตอบประเด็นก่อนจะสรุปก็บอกเบอร์โทรศัพท์ผู้ที่ส่งประเด็นเข้ามาอีกทีหนึ่งตามธรรมเนียมสะก่อนนะต่อจากนี้ไปจะตอบประเด็นผู้ที่ส่งประเด็นเข้ามาก็ใช้โทรศัพท์สองหมายเลขสองหมายเลขคือศูนย์แปดแปดห้าแปดห้าเก้าหนึ่งหนึ่งห้า กับ0885859116สองหมายเลขน่าทวนอีกทีหนึง่ง0885859115กับ0885859116สองหมายเลขน่าเชิญเข้าที่นี้ก็มาตอบประเด็น อเจ้าที่หนึ่งมีว่าหนึ่งเวทนาอมไขไม่ใช่วิญญาณนอข อ, ขอไปเวทนาตัวที่สองวิญญาณเวทนาสังขารหมายถึงสภาวะเดียวกันขาดอาวิชชาใช่หรือไม่ วิญญาณเวทนาสังขารหมายถึงสภาวะเดียวกันอ่ามันถ้าคุณเจรบเข้าใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็มีแต่รูปกับนามจะเรียกว่าเป็นนามอย่างเดียวกันใช่วิญญาณเวทนาสังขารเป็นนามอย่างเดียวกันแต่แจกละเอียดลงไปอีกว่าอาการอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้กําหนดว่าอันนี้เรียกว่าวิญญาณอาการอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้กําหนดว่าเรียกว่าเวทนา อาการอย่างนี้เรียกว่าสังขารก็เป็นองค์ประชุมของแต่ละขนาดแต่ละลักษณะแต่ละอย่างแต่เป็นอย่างเดียวกันสภาวะของคำเป็นนามธรรมเหมือนกันถูกแล้วนะถ้าเผื่อว่าผู้ใดนิถามว่าหมายถึงสภาวะเดียวกันหากอาวิชชาใช่หรือไม่คนที่เข้าใจผิดที่แล้วอวิชชาไม่รู้เนี่ยจะเข้าใจว่าเป็นอย่างเดียวกันคือมันปนเปนกันเป็นมั่วไปหมด ถ้าพูดว่าคนที่เอาวิชาเข้าใจปนเปกันไปเป็นอันเดียวกันหมดก็ได้เพราะฉะนั้นคนที่มีวิชาก็แยกได้ว่าอย่างนี้วิญญาณอย่างนี้เวทนาอย่างนี้สันขานเป็นนามธรรมเนี่ยสามารถรู้สภาวะที่เป็นจริงเกิดในจิตใจของเราจิตใจของเราเกิดลักษณะงี้เรียกว่าวิญญาณวิญญาณคือธาตรู้ที่เป็นธาตรู้รวมๆเต็มเต็ม โดยเป็นความหมายต่างๆเป็นความหมายใหญ่ๆวิญญาณรวมเพราะะนั้นเราจะเรียกตัววิญญาณนี่แหละแล้วมาแจกวิญญาณออกไปทั้งหมดอย่างต้นแจกออกเป็นเวทนาสัญญาสังขารก่อนจากนั้นก็แจกไปอีกเวทนาแจกไปอีกธรรมะก็แจกให้พวกเราฟังเวทนามันเกิดได้ตั้งร้อยแปดร้อยแปดลักษณะเวทนาร้อยแปดตั้งแต่เวทนาสองเวทนาสาม เวทนาห้าเวทนาหกเวทนาสิบแปดเวทนาสิบแปดอย่างเคหสิตะอย่างเนคขมะรวมแล้วมโนปริจารเคหสิตะสิบแปดมโนปริจารเนคขมรอีกสิบปดรวมเป็นสามสิบหกก็เป็นเวทนาสิบแปดสิบแปดและก็เวทนาสามสิบหกในเวทนาสามสิบหกนี้เกิดจาก ก, กรรมกริยาที่มีผรรษะเป็นปัจจัยปฏิบัติแล้วได้มีคุณสมบัติสูงก็ให้ไปเรียนรู้ว่าส่วนอดีตเป็นอย่างไรเกิดจากปัจจุบันอย่างไรส่วนอนาคตเป็นอย่างไรก็สามารถรู้ได้ประมาณได้นะรู้ได้ประมาณได้ทั้งส่วนอนาคตเพราะฉะนั้นคนเราที่สามารถมีปัญญาจะรู้ได้ส่วนอดีต ส่วนอนาคตและส่วนปัจจุบันเหมือนอย่างกับพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทิฐิของคนความรู้ความเห็นของคนเนี่ยจะเกิดอยู่ได้ทั้งสามส่วนนี่แหละหนึ่งส่วนอดีตสองส่วนอนาคตสามส่วนปัจจุบันบางาทิฏฐิทั้งหมดนี่พระพุทธเจ้าก็ออกมาขยายความไว้ใน พ, ร, นในพ ร, ระบิดกเริ่มเก้าเนี่ยในพระมรชารสูตรเรว่าทิฐิหกสิบสองทั้งหมดหกสิบสอง นะซึ่งมีส่วนอดีตนะสิบแปดมีส่วนอดีตสิบแปดสิบแปดอดีตแ ล, แล้วก็อนาคตมีอีกสี่สิบสี่ปัจจุบันมีห้าปัจจุบันมีห้าเพราะฉะนั้นทิฐิต่างๆก็ของคนเนี่ย บอกว่าแตมาจะตั้งใจอยู่จะเอาทิฏฐิหกสิบสองนี่มันขยายความอธิบายฟังซึ่งไม่ง่ายท่านรวมเอาไว้หมดแล้วว่าทิฏฐิของมนุษย์เนี่ยทั้งหมดมีอยู่แค่หกสิบสองนี่หละทั้งหกสิบสองนี่ถ้าไปยึดทิฏฐิทั้งหกบสองนี่คือการยึดที่ผิดทั้งนั้นเลยทั้งหสิบสองเพราะผู้เรียนรู้แล้วอย่างบูจาฉันรู้แจ้งรู้จริงหมดเลยว่านี่คือความจริงของมนุษย์ในทิฏฐิอย่างนี้ ทิฏฐิเหล่านี้ใครไปยึดเข้าก็เป็นอัตตาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าทำไมสอนเรื่องของคำว่าอัตตาคำเดียวเนี่ยทำไม่สอนเพราะทุกอย่างเป็นอัตตาอยู่แล้วก็ขยายไปเธอค่อยๆขยายไปแล้วก็จะเข้าใจเองว่าอัตตาคืออะไรแต่อย่าปฏิเสธว่าอัตตาไม่ใช่อัตตาถ้าปฏิเสธอัตตาไม่ใช่ัตาแล้วก็ไม่ศึกษาก็จะไม่รู้อัตตาเพราะมันมีศัพท์คําว่าอัตตาอยู่เยอะแั้วแต่เรื่ออัตตาทิฏฐิที่อาตามาเคยเอามาแจกให้ฟังนี่ อัตติธิแล้วก็เรียนรู้ไปเป็นสักกายะเป็นอัตาต่างๆไล่เลี่ยงไปจนถึงอาสวะก็เป็นอัตตาตามไปเรียนไปเรียกว่าอัตตานุทิฐิตามเห็นคว า, ามจริงไปเรื่อยๆโดยเริ่มต้นศึกษาก่อนให้มีอัตตสัมปทาเป็นแสงอรุณก่อนที่จะมีสุริยะก่อนที่จะเห็นพระอาทิตย์คุณต้องมีแสงอรุณก่อน แสงอรุณนี่คือคุณจะต้องเข้าถึงความเป็นอัตตาก่อนอัตตาสัมปทาขึ้นมาข่าวว่าคุณต้องเข้าถึงคุณต้องบรรลุความเป็นอัตตาให้ได้ก่อนมาเป็นสภาวะอย่างไรถ้าเข้าถึงตัวแรกเลยในทันเดียวสกายะตัวอัตตาแป็ตัวตนแปลเป็นไทยก็ว่าตัวตนสัตกายะอัตตาก็แปลว่าตัวตนแในตัวตนตัวนั้นจําเพาะที่จะรู้นี่เป็นต้นซึ่งผู้ที่รู้ก็จะรู้ความจริงของสิ่งเหล่านี้ละเอียดนะ ไม่ค่อยอัตมาอธิบายสู่ฟังนะรายละเอียดตรงนี้นะมันน่าฉงนนะทำไมปัจจุบันนะทำมีอยู่ห้านอกนั่นส่วนอดีตส่วนอนาคตแล้วอนาคตทำไมไม่มีมากตั้งสี่สิบสี่เพราะเพ้อฝันเยอะอยังเป็นไม่ได้ก็มีมันดีมีเยอะไงสี่สิบสี่เข้าใจไหมง่า ย, ายไม่ยากเห อเคลียเนาะเออพูดแค่นี้ก็เคลียฮะเออดีจังนะส่วนอดีตนั้นอ่ะมันเป็นตัวที่เป็นจริงมันลงไปฝังฝังไว้มันเกิดแล้วมันมีเหตุปัจจัยแล้วส่วนอนาคตหลายอย่างยังไม่มีเหตุปัจจัยเลยแต่เพอพกไวโอ้หูมีเยอเยะได้ทั้งสี่สิบสี่มันงงั้นนี่ก็เริ่มต้นไปอ่าไปลำลองลาลองนิดหน่อยก่อนไม่ค่อยศึกษานะแล้วก็จะเข้าใจดี นะเพราะก็พูดยังอวิชชาอยู่นี่ก็นั่นแหละอยู่ในหกสิบสองนี่แหละหกสิบสองทิศนี่แหละต่อมาบอกว่าพวกเราไม่มีมรรคผล่านะโอเคอไปในพวกขาดไม่อาตมาเนี่ยตอนนี้กําลังพยายามปรับตุงตาอยู่ตาก็อาตมาไม่อยากว่าอาตมาอายุมากนะตามันก็เลยซุดเสื่อมไปตามไว้มันไม่อยากพูดนะ่เพราะว่าจริงๆมันก็เป็นจริงอยู่ มาอยากซ้ำเติมมันอนะก็มมันันนพยายามแก้ไขปรับปรุงมันไปอยู่หากเราไม่มีมรรคผลเท่ากับนะ่ะเราไม่มีมรรคผลเท่ากับนัตถิอนะนัตถิใช้พระบาลีว่านัตถิหากเราไม่มีมรรคผลนี่เลยกว่านัตถิแสดงว่าเราไม่มีสิ่งที่คนควรมีนะ คือพูดฟังนี่นะจับความที่อาตมาอธิบายแล้วเอาไปทำความเข้าใจแล้วก็ลองเช็คมาก็เช็คมาอาตมาก็ก็จะจ ะ, จะตอบตามจะตอบที่เช็คมาหากเราไม่มีมรรคผลเท่ากับนัตถินัตถิไม่มีมรรคผลแสดงว่าเราไม่มีสิ่งที่คนควรมีเท่ากับณโหติเห็นไหมฟังดีๆนะภาษาบาลีเป็นภาษาวิชาการนัตถิจะแสดงว่า คนที่ไม่มีมรรคผลนี่จะใช้ศัพท์คําว่านัตถิส่วนคนที่ไม่มีสิ่งที่คนควรมีเรียกว่านาโหติโฮติแปลว่ามีนะแปลว่าไม่มีไม่ไม่มีแสดงว่าเรายังคงมีทุกขเวลาเป็นภัยต่อตนและผู้อื่นเพเข้าไปไม่จะเวลาและอ่านแม่อ่านและเป็นเวลาเแสดงว่าเรายังคงมีทุกข และเป็นภัยต่อตนและผู้อื่นคนที่ยังไม่มีมรรคผลหรือว่ายังไม่มีสิ่งที่คนควรมีก็แสดงว่าเรายังคงยังคงมีทุกข์แต่เป็นภัยต่อตนและผู้อื่นเงค์เงนนะแต่หากเรามีผลธรรมเท่ากับอัตถิพบบระบาลีภาษาวิจากา ร, รว่าอาัตถิมีผลธรรมเราก็จะมีสิ่งที่คนควรมีเรียกว่าโหติ คือมีความไม่มีทุกมีความไม่มีทุกไม่มีความไม่มีนะต่ตอนนี้มีความไม่มีทุกไม่มีภัยต่อตนและผู้อื่นเข้าใจเช่นนี้ผิดหรือถูกอย่างไรกรุณาอธิบายด้วยถูกต้องถูกต้องเข้าใจถูกต้องแล้วทัใชัยศัพท์นั้นคำว่านัตติหรืออัตติเนี่ยมีผลในการ เรียนรู้ศึกษาของพระพุทธเจ้าเนี่ยอยู่ในสมาธิทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิท่างแตใช้คํานี้โดยตรงเลยผู้ใดที่ปฏิบัติรำพระพุทธเจ้าแล้วทานก็ดีปฏิบัติศีลทศก็ดีปฏิบัติแล้วจิตใจมีผลหรือไม่ก็ดีอถ้าไม่มีท่านก็เรียกว่าทินดังนัตถิทินดังไม่มีนัตถนนิไม่มีมมทินดังคือทานที่ให้แล้ว เป็น past perfect tense เป็นทานที่ทำเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วแต่มันไม่มีผลไม่เกิดผลในวันนัทถิก็เพราะมีฉาทิฐิเพราะฉะนั้นต้องสมาธิทิข้อนึงเลยนะทิมนังนี่ข้อนึงเลยในทิฐิต้องทำความเข้าใจก่อนเพราะฉะนั้นอามาก็เอามาท้วงมาทักาำที่อธิบายขยายห้ฟังกันอยู่บ่อยว่า ทุกวันนี้นี่สอนก็ดีสอนกันแล้วก็พาการปฏิบัติไปเพื่อจุดทานทุกวันนี้มันไม่มีผลไม่มีผลที่จะพาไปหานิพ v a n ไม่พานัตถินี่คือผลที่มันจะพาไปสู่นิพ v a n พาไปสู่การล้นละนายคลายตามลักษณะของศาสนาพุทธพาศาสนาพุทธนั้นสอนเพื่อให้ละนายคลายทั้งนั้นไม่ได้สอนให้พอกเพิ่มไม่ให้พ่อเพิ่มกองกิเลสมีแต่ให้ละนายคลายวิราคะปัจจยะ ไม่มีกิเลส น, นะหรือว่าวิสังโยคมีแต่รละไม่ได้มีเพิ่มนะเพราะนัะ้น <c> ถ <oughs> ้าเผื่อว่าไม่สมาธิิเริ่มต้นไม่สมาธิิข้อต้นเลยในทานนี่มีทุกศาสนามีในโลกธรรมดาสามัญเขาก็มีทานเขาไม่ปฏิบัติธรรมหลักสีก็สองเนี่ยออไม่ใช่ทิฏฐิก็สองยึดถังเนี่ยนะ แล่ว ว, วิธีปฏิบัติทำเป็นเรื่องยันยปิธีจนนั่นแหละยันยปิธียึดถังพิธีวิธีการวิธีปฏิบัติศีล ท, ที่ปฏิบัติทำนั่นแหละปฏิบัติีลปติบัติทมันไม่มีมรรคผลอันนั้นก็อย่างหนึ่งที่จริงก็คือทานศีลภาวนานี่แหละหุ่นตังอันที่สามนึงก็คือผลที่จิตมันได้เสเวยผลอย่างไรเสเวยผลเป็นนัตถิหรืออัตถิ สเสบยผลที่มันลดละจางคลายหรือเพิ่มกิเลสเพราะฉะนั้นจะต้องรู้ไปถึงนามธรรมถึงหุ่นตังจิตสเสบยผลอย่างไรทําทําแล้วปฏิบัติแล้วทานแล้วตื้อปฏิบัติยึดถังแล้วจิตมีผลอย่างไรมันก็ต้องรู้ถ้าไม่รู้แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันผิดหรือถูกมันได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้นอันนี้จึงเป็นทิฏฐิตวัวทิูุวจวัต ต้องให้รู้นำมาก่อนเลยนะถ้าเผื่อว่าไม่รู้ทิฏฐิสิบนี้อย่างสัมมาก่อนปฏิบัติธรรมก็สุนโยไปปฏิบัติก็คือไปพยายามปฏิบัติให้เกิดจิตสะอาดสัจจิตตประโยชน์ทัพนังทําให้จิตของตอนเองทําของตอนเรียนสัจจิตสัจจิตตังปฏิบัติจิตของตนเองทําของตนสัประกอบจิตตัวเองให้ได้ประโยชน์ทัพนังให้สะอาดทองใส ให้ดิเลตหมดสะอาดหมดจดไปแราะเมื่อไปทําก็คือมานสิการก็ทําใจทําใจของเราเนี่แหละมานสิการ์โรติเป็นมารนัสิการ์โาารติาารเป็นคํากริยามานสิการ์เป็นคํานามก็ไปทําให้มันได้แล้วถ้าทําไปแล้วมันไม่ได้ผู้นั้นก็ไม่มีสมาธิิตถ้าสมาธิิต้องได้ไม่มากก็น้อยทาวิชาที่ตีไม่ได้หรอก ทานจะตามปฏิบัติศีลทอนยังไงก็ตามไม่ได้ยิ่งไม่มีปัญญารู้ปรมาจารย์ธรรมอ่านจิตตุ้งตนเองว่าเออมันจางมันคลายหรือไม่มันได้มรรคผลอย่างไรไม่รู้เรื่องเลยอา่านนี่เป็นอานไม่ออกงมงมเนี่ยงมโขงแน่งมงมจนถึงกลมงายไม่ถึงแน่นอนไม่ได้มันรู้ธรรมแน่นอ น, นอันอื่อดีอัตมาขอว่าพูดไปสามข้อก็แล้วกันแค่นี้ก่อนทิฏฐิสิทธิ์เนี่ยก็เคยพูด บนซ้ำบ่อยเพราะต้องพูดเพราะมันเป็นเรื่องหลักเกณฑ์วางกันเกง่งต่อมาทีนี้มีเด็กมาถามมาถามหลวงพ่อมาถามหลวงพ่อคนหนึ่งตลอดชีวิตสับได้ได้ฉานว่างอนกนมาถามหลวงพ่อ ตลอดชีวิตสัตว์ได้ฉานน่ะมันจะคิดมากหรือปวดหัวไหมครับเวลามันไปทำความผิดโอ้โหปัญหานี้หลวงพ่อตอบไม่ได้โยนคาถามามาให้อาตมาหลวงพ่อบินก้าวอิทธิภาวสัตว์ในได้ฉานมันจะคิดมากไหมและมันจะปวดหัวไหมครับเอาตัวเองไปเทียบกับสัตว์เนาะ แล้สงสัยว่าสัตว์มันจะเหมือนเราไม่นเนาะเนาะตลอดชีวิตของเดริชานนี่เหมือนกันนะโอ้มันจะคิดมากเออดีอย่างดีนะยังเทียบตัวเองเลยคงตัวเองคงคิดมากเลยปวดหัวนอ่าทีนี้หลวงพ่อบอกว่าผมไม่ได้ตอบนะแต่หากมาคิดต่อจากคําถามเพราะฟังเด็กแล้วก็ดสงสัยตามเหมือนกันว่ามันจะปวดหัวหรือเปล่าออเออ แล้วม่มีวิจาร์ต่อซะอีกนะบอกว่าเอะแล้วเจ้าคนที่ทําผิดต่อตนและทําทําและแผ่นดินทําผิดต่อตนต่อแผ่นดินแล้วแเราเาเน่ยมันจะปวดหัวหรือเปล่าสงสัยต่อพี่อีกคนนี้โอ้ทําไมถึงยาวยืดไปอีกเช่นเดรดิฉานนี่ยมันสามารถเสพกามในแม่มันในพ่อมันในพี่มันในน้องมันในใครก็ได้เพรมันเมื่อมันปรารถนาได้แล้วเวลามันหิวมันก็จะสามารถฆ่าใครก็ได้มากิน เพียงให้มันได้อิ่มเขาท่านก็นเลยบอกว่าอา่ลุงพ่อทั้างั้นลุงพ่อเก็บคําถามของหนูเนี่ยเก็บไว้เป็นการบ้านก่อนนะว่า ง, งั้นแต่ลุงพ่อก็เลยส่งมาให้อัตมาที่นี่อัตมาก็ตอบผ่านทางอากาศไปเลยออ่าอ่าาสัตว์ได้ได้ฉานเขาต้องยกไว้เพราะว่าเขาถือว่าเป็นสัตว์ปะเวนายสัตว์ เขาจะไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องของจิตเจตสิกไม่เข้าใจในเรื่องคุณธรรมอะไรพวกนี้เหมือนคนเพราะคนที่มีภูมิปัญญาพอสมควรก็จะเข้าใจในเรื่องของถูกดีงามหรือว่าผิดชั่วต่ํำอะไรจะเข้าใจอตามสมมุติสัจจะของโลกซึ่งปรมาจาสัจจะนั้นเป็นสัจจะขั้นสูงผู้ที่เห็นสัจจะขั้นสูงแล้วจะเข้าใจสัจจะขั้น สมมุติทั่วไปแล้วจะอนุโลมปฏิโลมตามเขาและจะเข้าใจสมมุติที่สูงขึ้นไปตามลําดับด้วยสมมุติตั้งแต่ระดับต่ำํำจนกระทั่งสูงขึ้นมาเป็นระดับกลางระดับสูงระดับสุดยอดในขั้นอนุตริยะเลยผู้ที่มีปัญญาก็จะไล่ตามระเ บ, บื้องต้นของกลางมันปลายช่วยคนข้างล่างมาเรื่อยๆสอนได้แล้ก็พัฒนาได้ส่วนในไร่ฉานนั้นมันไม่มีมันเป็นเอาไปในศาสต ร, ร์สอนไม่ได้ สอนยากเออสอนให้มันทำมันโน้นในนี้ได้บ้างสอนให้หมาไปหาอ่ะอะไรพวกนี้ให้มันนั่งให้มันยืนให้มันเดินให้มันอ่าฝรลางมันชอบให้มันหมาเต้นระบำนี่โอ้ยเต้นจังเลยเอามาโชว์กันนะดูกันไปเพลิดเพลินไปอ่าก็สอนพอได้แต่ให้มารู้จักคุณธรรมหรือว่าความงามคุณงามความดีพวกนี้ได้บ้างนิดๆหน่อยๆบางที่ดีก็คนบางคนนะ สอนหมาให้มันคุณธรรมบางอย่างคุณธรรมบางอย่างสอนหมามันได้ทำได้ดีกว่าคนคนที่สอนแล้วสอนอีกไม่ได้สู้หมาไม่ได้มีเหมือนกันจริงๆ ร, ระวังน ะ, ะระวังอย่าไปชิงหมาเพราะงั้นก็ตอบไปแล้ว น่ว่ามันไม่คิดมากมันไม่หลวงมาสอนไม่ได้มันก็ของเมื่อไม่คิดมากเนี่ยมันจะไม่ปวดหัวเท่าไหร่ถ้าคิดมากปวดหัวนะอริยะบุคคลนี่ระดับไหนถึงจะหยุดนินทาครับโอ้คำถามนี้ต่อมาพระอริยะบุคคลนี่ระดับไหนถึงจะหยุดนินทาครับอ่าระดับที่จะหยุดนินทาก็คงจะระดับของอนาคามีนุ้แล ระดับของสกิทาคามีก็ยังมี่บ้างโสดาบันไม่ต้องพูดเลยแต่ยังมีอยู่ดีไม่ดียังเป็นบุคคลส ต, ตียังมีปากหอกเสียบกันบางเสียบไปเสียบมาบางแต่ก็ไม่เหมือนคนหยาบหยาบมันแรงมันมากมันโอ้โหมันไม่ต้องพูดแล้วมันหยาบก็ลกันนะบางคนที่พอรู้แล้วก็จะเบาลงมาบ้างแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโสดาบันนั้น จะไม่ทำชั่วไม่ทับนไม่ใช่ชั่วที่เดียวก็ถือว่าชั่วก็ได้ไ ม, ไม่ไม่มีอะไรผิดหรือไม่มีอะไรรุนแรงเลยหรือไม่มีโรคโกรธหลงไม่ใช่โซดาบันยังมีโรคโกรธหลงพอสมควรนะอาต่อมาจากกระดูเมื่อเริ่มต้นปฏิบัติธรรมก็ เ, เหตุใดพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงให้ศึกษาตั้งต้นจากอารมณ์ทุกข์หากศึกษาไปทั้งสองอารมณ์พร้อมกันไปคืออารมณ์ทุกข์ และกับอารมณ์สุขจะเกิดผลอย่างไรที่ท่านเน้นอารมณ์ทุกข์ไม่ค่อยพูดถึงอารมณ์สุขนั่นก็เพราะว่าอารมณ์สุขกับอารมณ์ทุกข์นั้นมันเป็นคู่กันของโลกะของโลกีเนี่ยมันคู่กันแต่ถ้าสุขสงบมันไม่มีคู่สุขสงบคือมันไม่ทุกข์ไม่มีสุขก็เรียกว่าสุขสงบสงบคือมันไม่ ไม่สุกก็ไม่สุกทุกข์ก็ไม่ทุกข์นี่มันสงบนี่แหละคือความสงบขอย้ำตรงนี้นะข้ออธิบายขยายความย้ำละเอียดขึ้นไปอีกว่าที่ท่านหมายหาความสงบนั้นทาไมท่านไปหาที่ที่เงียบๆพูดได้ที่เงียบๆแล้วได้ความสงบหรือความสงบกายคือกายไม่กระดุกกระดิกไม่ใช่นะไม่ใช่นะเพราะสงบคือจิตไม่สุขไม่ทุกข์ เป็นโลกีฟังให้เข้าใจอธิบายเคลียร์ยังอธิบายเคลียร์แล้วแต่ค ำ, ค, ำความก็ใจะให้ให้เคลียร <Very clear. S 1> นะ์นะเจ้าเวลเคลียร์ด้วยเเคลียร์นะนะนี่คือความสงบเป็นสุขความสงบคนยังเข้าใจประเด็นนี้ยากเพราะฉะนั้นจึงไปหาความสงบเหมือนหมาขี้เรือนมันมีขี้เรือนอยู่ที่ตัว แล้วก็หาความสงบหาที่เย็นๆหาที่อนุนยงนุนยงอย่างนี้เพื่พอที่จะนั่งให้ข้าหายคันดันป่าเข้าป่ามันก็คันเพราะเมื่อกี้เรื่อมันอยู่ที่ตัวเองอะ่ะเข้าป่าเข้าที่ไหนๆที่คิดว่ามันจะหายคันมันไม่หายหรอกจะไม่หาดับเชื้อที่มันเป็นเป็นโรคโรคไม่สงบโ ร, โรคโรคโกดลงต้องดับอันนี้เชื้ อ, อ น, นี้แล้วก็สงบสงบแล้วจะอยู่ในที่ จุนจ่างทิ้นเสียงดังจะทำงานจนกระจักพันอยู่ยังไงก็สงบไม่เป็นฟิดไม่เป็นภยัยไม่เป็นโทษ ด, ด้วยน่าอย่างนี้เป็นต้นนะนี่ก็ขอแวะให้ฟังทีนี้ทำไมพระเจ้าท่านบอกว่าให้ใช้ตั้งต้นจากอารมณ์ทุกเพราะทุกเป็นเหตุแห่งสุขฟังความนี้ไว้เลยตราจึงไว้เลยทุกเป็นเหตุแห่งสุขเพราะถ้าคุณอ่านอารมณ์ จิตที่มันทุกออกนั่นแหละคือเหตุมันทุกเพราะมันไม่ได้ดังใจใจจำนวนไทยใจมันทําอะไรมันอยากจะบําบัดใจด้วยกิเลสโกรธบําบัดใจด้วยกิเลสโลภหรือบำบัดใจด้วยกิเลสหลงลงขั้งใครอย่างนี้มันต้องโอ้โหหลงผิดนั่นก็ไม่ต้องห่วงแล้วเยอะอ่า มันก็อยากจะบําบัดมันก็เลยเป็นตัวทุกข์อ่านตัวทุกข์ให้ออกนี่คืออาการทุกข์เพราะฉนั้นคนเรานี่มั น, ยนอนยากนั่นอยากนี่มันทุกอยู่ตลอดเวลามันอ่านทุกข์ไม่ออกอาการทุกข์อารมณ์ทุกข์อยากนั่นอยากนี่อยากนี่มาบำเบลใจตัวเองนี่แหละคือตัวอาการของจิตที่มันทุกข์ซึ่งปรินโยยะควรจะกําหนดรู้มันให้ทันให้รู้อ่านทุกข์ให้ออก แต่ก็ไม่เคยปฏิบัติเพราะเมื่อม า, มาถึงบุปผาว่าเตือนปริญญาญาพยายามควรอ่านนะอ่านติดตัวทุกข์ในให้ออกพออ่านออกแล้วสัญญากำหนดปฏิบัติด้วยสัญญาต่างๆเยอะเลยเทีนี้สัญญาคือการกำหนดรูส่วนทุกข์นั้นคือการควรกำหนดรูปริญญาญา ส่วนสัญญานั้นมาปฏิบัติกําหนดรู้ตัวตัวตัวทุกเนี่ยได้หรือตัวเหตุแห่งทุกเนี่ยแล้วก็กําจัดมันเวลากําจัดก็ตะให้สัญญาทํางานไปเรื่อยสัญญาตัวไหนทํางานไปมันเป็นตัวต้นทางของปัญญาหรือต้นทางของปริญญาตัวสัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้อตมาเจอในปฐมกุศลเป็นต้นทางเป็นตัวต้นของปัญญาเป็นตัวต้นของ แล้วมันก็จะไปเป็นปัญญาหรือเป็นปริญญาน่ะปัญญาปริญญเยาะก็เป็นพยัญชนะในภาษาบาลีเขาแกะพิพังไปเป็นอะไรก็ไม่รู้แหละเป็นอาตมาไม่ได้เรียนน่ะเป็นคุณศัพท์เป็นกริยาเป็นนามเป็นปุปุปปลึงปุลสกัลลึงอะไรก็แล้วแต่เยอะแยะอาตมาไม่ค่อยจะรู้น่ะก็ไม่พูดอ่าจะเกิดผลอย่างไร ก็เกิดพ้นดับทุกข์ดับสุขของโลกีเพราะฉะนั้นคนที่พ้นทุกข์ก็คือคนที่ไม่มีทั้งสุขเป็น ท, ทุกข์นี่สิบเป็นเรื่องที่ยากมากเลยที่คนไม่เข้าใจเพราะคนหลงติดสุขทีนี้จะบอกว่าให้คนเลิกสุขคนก็ไม่ไม่เอาอ่ะไม่เอาอ่ะคนหลงสุขเพราะอย่างพระพจาถึงไม่พูดถึงสุขก็ให้มาดับเหตุแห่งทุกข์ซะสุขมันก็ลดไปเองมันก็ไปด้วยก็เป็นความสงบไม่สุขไม่ทุกข์ เพราะพระอาหารหันเจ้าเนี่ยไม่มีสุขเลยและไม่มีทุกข์เลยพระนั่นเจ้าไม่มีสุขเลยไม่มีทุกข์เลยมีแต่สงบปรมังสุขขังยิ่งกว่าสุขอตมาแปลป ร, ปรมังสุ ข, ขังว่ายิ่งกว่าสุขนะจ้องในการปฏิบัติธรรมของศาสนาพุทธต้องอาศัยผัสสะทุกตอนนับตั้งแต่หยาบปลางละเอียด แต่เพราะเหตุได้นามกายของพุทธนามกายนะของพุทธหรืออรูปอัตตาจึงไม่ต้องอาศัยการกระทบสัมผัสจากภายนอกคงมีเพียงการทาํางานในเงค์ปรุงแต่งกันของมนายตนะและธรรมายตนะเท่านั้นเอออันนี้อาตมาก็อธิบายอธิบายไม่ง่ายเนาะแต่เอาเถอะไม่เป็นไรอาตมาอธิบา ย, ยางี้อธิบายตั้งแต่ว่า ทำไมะอะรูปรอัตตาคืออรูปข้างในแล้วขั้นชะลึกแล้วกามเป็นโอราติกะอัตตาข้างนอกพอเข้าไปข้างในก็เป็นรู ร, าารูปรคาคะอะรูปราคะหรือเป็นอรูปปะอัตตาข้างในเป็นขั้นตอนบุองตรงตรงกางมันตัดละเอียดเข้าไปหมดข้างนอกแล้ว เรียกว่าโอราริกะอัตากิเลสหมดแล้วก็จะเหลือรูปมนโนมยอัตตาหรือเป็นรูป ใ, ใช้คำแทนว่ารูปซึ่งเป็น ป, น ป, นปนตัวในแล้วเพราะงั้นพอไปถึงรูปนี่ก็ดีของพระพุทธเจ้าในาศาสนาพุทธเนี่ยอารูปก็ดี ก็จะต้องอาศัยผัสสะเท่านั้นตัวนี้นี่ขอยืนยันนะพระพุทธเจ้าตัดไว้เลยในปฐมบิดกเล่มเก้านี่แหละนะในพมชารสูตรนี่เลยแหละสูตรที่หนึ่งนี่หละท่านตัดว่าเว้นผัสสะแล้วจะทราบชัดหรือเข้าใจซึง้งไม่ได้อันนี้อาตามาแปล โดยสำนวนของอัตม า, าแต่สำนวนของที่ท่านแปลไว้ในพระธรรมดลนั้นท่านบอกว่าทราบชัดหรื อ, เ, อ, อเข้าใจซึ่งเนี่ยท่านไม่แปลอย่างนี้นท่านแปลว่ารู้สึกท่านท่านแปลว่างี้เว้นผัรษะแล้วจะรู้สึกได้นั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ ในสำนวนเขในพักริดพดระจักปดพระมชารสูตรเนี่ยข้อ7จ็สิบเจ็ดปีเกิดอาตมาสองสี่เจ็ดเจ็ดเว้นผัสษะแล้วจะรู้สึกได้นั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้นี่เป็นคำแปลของท่านแปลอาตมาก็เห็นว่ามันยากคำว่ารู้สึกนี่มันกลมเกลือแปลมาจากคำว่าปฏิสังเวที เขาว่าปฏิสั่งเวทีบัตรปรีตัวนี้มาแปลว่าทราบชัดหรือเข้าใจซึ้งท่านแปลว่าไม่รู้สึกมันก็เลยอาตมาว่ามันมันไม่ตรงสภาวะชัดอ่าเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าจะให้ดีแล้วอาตมาก็ว่าท่านบอกว่าในความเป็นอัตตานนั้ท่านท่านปรามท่านตรีติงอาปรามอสมณะพรามณหรือพุทธิมาสงสัยว่าจะมาถามเรื่องอัตตาท่านหรือว่า ฝากไว้ก่อนเนีย่ยพึ่งพูดถึงตัวนั้นแต่ไม่ได้หมายความว่าพระเจ้าท่านไม่พูดถึงอัตไม่พูดถึงอัตตาหรือว่าไม่พาศึกษาเรื่องอัตตาอัตตาทั้งนั้นแหละเป็นเรื่องหลักจนกว่าจะหมดอัตตาเลยว่าอนัตตาไม่มีอัตตาแต่ทําไปพูดแล้วมันเยอะมันจะสับสนทั้งก็เลยบอกว่าเอาไว้ก่อนเพระเาะฉะนั้นวิธีปฏิบัติเพื่อที่จะลดอัตตานี่แหละเว้นผัสสะเสร็จแล้วเนี่ยจะทราบชัดปฏิสังเขทีหรือ จะเข้าใจซึ้งไม่ได้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ทับเป็นปัจจะนี่คือคำสรุปที่ชัดเจนที่สุดว่าการปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องมีผัจจ ะ, ะต้องมีผัจจะถ้าไม่มีปัจจะแล้วไม่เป็นฐานะที่จะเป็นไปได้และมันมีเนื้อความอีกเยอะมีผัจจะต่างๆเนี่ยมีอะไรจ ะ, าจะมาเอาอยืนยันมากมายน่ะ ในเรื่องของผัสสะเพราะฉะนั้นก็ข อ, อยืนยันตรงนีนะ้ว่าท่านเองท่านมีวิธีปฏิบัติจากผัสสะอาตมาก็อธิบายว่ามันเป็นของจริงสดๆที่บอกว่าอารูปที่คุณถามมาเนี่ยทำไมนะอารูปปัตตาจึงไม่ต้องอาศัยการกระทบก็มันมันอยู่ด้วยกันนมา น, นายตนาไม่ต้องอาศัยตาหูจมูกลิ้นกาย คุณนอนหลับมันก็ตรุงกันได้คุณตายมันก็ไปตรุงได้ไม่มีตาหูจมูกรินกายอมันก็ไปทุบไปฉุบได้อยู่ในนั้นแต่เป็นของแห้งมันไม่ใช่ของสดซึ่งปุโมฮนีนอาตมาอธิบายกับอาจารย์กฤษดาเขาก็ย่าอยู่ว่าไอ้นี่แหละมันจริงกว่าใช่ไหมจริงแท้ๆเลยเนี่ยมันสัมผัสจะตาหูจมูกริมกายเป็นของจริงอยูนะ่พอมันไปข้างในนะมัน มันไม่จริงเนี่ยมันแห้งๆของคุณควักขึ้นมาทุ่งไปคุณกระเพราะพกเป็นลมๆแรง ๆ, ๆงคนไปยังไงก็ไปสิส่วนมันจะซับซ้อนที่คุณไปหลงจริงๆเพราะคุณไม่รู้อวิชชาคุณตายไปแล้วคุณก็ยิ่งหนักกว่าเพราะว่าคุณจะไม่ตาไม่มีตาหูจมูกนิ้วกายที่มันจริงจะตายไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าตายไม่รู้เราแล้วก็ไม่มีหูมีตาจมูกนิ้วกายที่จะเป็นข้อสุดจึงดิ้นอย่างที่มืดมนเนี่ยมันหนัก โอ้ทำไมมันไม่เป็นประยานมันจะเลืล้ๆจน ม, มันเพอาะมันจึงเป็นนรกที่หนักกว่าเพราะดิ้นยากมากกว่าและมันก็ไม่ได้มันหลงเพราะฉะนั้นพระเจา้าถึงมาสอนให้มันล้างตั้งแต่ลืมตาเป็นๆ น, นี่แหละของจริงเมื่อหมดอันนี้แล้วคุณจะตายไปมันก็ไม่มีหมดแล้นี่หมดเชื่อเลยดับตั้งแต่เป็นๆ น, นี่ อย่างเป็นอรหันต์แล้วนี่ตายไปก็มีหรือเป็นน า, าคามีแล้วไอ็โลกอบายโลกกามโลกโลกีลกกข้างนอกนี่น า, าคามีตายไปแล้วก็ไม่มีก็ไม่ต้องไปดิ้นอะไรมากมายหรือเป็นอรหันต์แล้วก็ไม่ดิ้นเลยแต่ถ้าไม่ล้างดิ้นหนักเลยจึงเรียกว่าสัตว์นรกในริยะพูิดิ้นยิงกับคนที่เสียญญ่ยนยา มันดำดิศนาเหมือนกันเพราะไม่รู้เรื่องมันไม่รู้ตัวแล้วมันตายไปเนี่ยเพราะนในรนรกแท้ซึ่งคุณแปดเ็ดศูนห้าชอบตูวอาตมามากเลยว่าหาว่าตายแล้วไม่มีนรกไม่มีสวรรค์มีแต่ตอนเป็นเป็นพระพุทธเจ้าก็สอนอย่างที่อาตมาสอนก็มาล้างทุกเหตุที่มันมีนรกสวรรค์นั้งแต่เป็นเป็นเนี่ยตายคุณก็หมดแต่ถ้าคุณไม่ล้าง ตายคุณมีอตาตมาก็สอนสอนพูดพูดแต่คุณแปดเจ็ดศุนย์ห้าไม่เคลียร์เองอจริงฟังให้เคลียร์ยรสิอฟังไม่เคลียร์แล้วก็มาตูว่าอาตมาอธิบายไม่เคลียร์วันนี้อธิบายแล้วอย่างไปห้ารอยเฟรมแล้วนะต่อวินาทีอะมากกว่าวานี้อีกยังไม่เคลียร์อตาตมาก็ไม่รู้จะทำอะไรอพยามอีกนะ แล้วจะหาว่าตะมาเนี่แหมเขาให้หงายเขาให้ความเอ่าหม้อว่าไม่ให้ยุงมาไข่แล้วดันไปหายงายหม้อทีอีกเ อ, อคุณว่าอย่างนี้นะถ้ากับว่าพระพุทธเจ้าท่านกระตัดว่าหายของที่ควา่าใครหายของที่คว่มท่านตัดอย่างนั้นนะคุณว่าตะามานี่มันพาดพิงไปถึงพระพุทธเจ้านะระวังนะใช่ไหมทําเป็นเล่นเพ้เอไปเถอะ อระกระท่งกระเทือนถึงผู้เจ้าโดยไม่รู้ตัวอาตมาไม่ได้ครู่นะใช่ไหมก็ตั้งกต่สอนวางายของที่กวา้าไม่ได้หมายความอย่างคุณเท่าหน่อยเออ้าหายของที่กว้าแล้วมันกระจายเห็นทุกอย่างขางในนี่มันหมายความอย่างนี้ในความหมายเท่านี้ก็คลี่คลียหน่อยสิทําไมแค่นี้เคลี่ไม่ได้มันไม่กระจา่ายมันไม่แจมแจ้งมันไม่เออา ขออภัยวันนี้อาตมาพูดอะไรยาวๆคุณแปดเ็ดศนย์ห้าไปเยอะนะยาวๆแย่ๆกันนะก็คุณแปดเจ็ดศูนย์ห้ายังยาวแย่อาตมามาเรื่อยเลยมองตรงมองตื่นมาก็ต้องเยอะวันนี้อ่าเพราะงั้นในเรื่องอรูปอัตตาเนี่ยมันจึงเป็นเรื่องภายในและรู้ได้ด้วยสัญญามีสัญญากําหนดเอาความจําเข้ามาปรุงเข้ามาทําอะไรได้ แล้วมันรวมๆแรงๆแต่มันยึดมั่นถือมั่นจริงเพราะคุณเองคุณทิ้งความจริงที่คุณติดยึดจูดโดยคุณไม่รู้เพราะงี้ถ้าขาดผัสสะซียจะปฏิบัติธรรมนี่ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ว่าคุณจะสามารถปฏิบัติและลดละหมดอัตตาไม่ได้อ่านี่ไม่ใช่อาตมาพูดเองวันนี้ก็เอาหลักฐานมายืนยันแล้วในที่อื่นก็ยืนยันอยู่แล้วผัสสนะเนี่ย ในปฏิสุบารก็ยืนยันแบบภาษาหกถ้าจะภาษาหกปฏิบัติธรรมไม่บรรลุหมดอ่าแล้วบรรลุวยกายต้องสัมผัสด้วยกายต้องมีครบองค์ประชุมของกายอที่จะต้องมีคุณธรรมของวิโมกข์แปดแล้วก็ต้องสัมผัสในวิโมกขแปดก็ต้องมีพุ้จิตวาอย่างนี้เป็นต้นพู้จิตวะวิหารติ ปัจจุบันนี้เกิดอยู่ปัจจุบันนี้สัปด์อยู่เดิมนี้นี่คือหลักฐานที่ชัดที่สุดเพราะฉะนั้นผู้ใดที่ขออภัยต้องใช้คําทัดๆหน่อยยังดันทุรังแย้งอาตมาอยู่เนี่ยเสียเวลานะอาตมาว่าถ้าคุณดันทุรังอยู่อย่างนี้นะคุณไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามนี้นะไม่เป็นฐานนะที่จะบรรลุอะไรได้ตามรู้จรกเจ้ากัดไว้นะ เราพยายสุดสู้สร้างรัตเตปัญญ์ตั้งใจฟังดีๆเราจะได้ปัญญาจะได้ความรู้ที่แท้จริงหนา้าต่อมาอุปาทายรูปหมายถึงกายในกายอันได้แก่หนึ่งกายในกายที่เกิดการสัมผัสกับเนี่ยมาต่ออีกนะกายในกายที่เกิดสัมผัสกับอ่ารูปร่าง ของดินน้ำไฟลมที่อยู่ภายนอกตัวเราแล้วเข้ามาเป็นรูปร่างเช่นนั้นในจิตของเราถ้าเป็นรูปร่างคุณก็ถือนิมิตคุณก็มีรูปร่างนิมิตเป็นได้แต่คุณต้องเข้าใจเป็นสมาธิเถอว่าเป็นรูปร่างอย่างนั้นมันไม่ใช่รูปแท้ที่คุณมีตากระทบรูปนี่คือรูปมันแดงๆนี่มันอยู่ข้างใน มันไปข้างในมันไม่แดงนี้ทีเดียวมันคุณสร้างขึ้นมาแล้วแต่ถ้าคนตาตาตาที่มันกับความจำหรือว่าความกาหนดหมายเข้าไปอยู่ข้างในมันไม่ได้งี้รูปมันก็ไม่ตรงสีสันมันก็ไม่ตรงมันไม่ตรงหรอกมันไม่ครบรูปร่างสีสันรูปร่างอะไระต่ไรนะมันไม่มีพจน์ที่ ได้ตามนั้นเลยนะใช่ไหมมันจะไม่เป็นหรอกแต่เป็นก็ได้คุณจะต้องเข้าใจว่าอันนี้เป็นนิมิตที่ใช้แทนมันไม่ใช่ของจริงที่สดส ด, สดแล้วแม้ตาคุณยังจะสัมผัสอยู่ข้างนอกนีก็ตามแต่ภาพนี้มันไปอยู่ข้างในเป็นตัวที่เป็นนามนทําที่มันจะรู้ที่จะรู้ ถ้าเพราะว่าเอาแต่วัตถุตาคุณกระทบรูปแสงมันก็ซื่อสัตว์มันก็กระทบเข้าไปติดจอตาไปติดม่านตาไปติดในเลติน่าข้างในมันก็เป็นภาพข้างในแต่คุณไม่กำหนดหมายมันแสงมันกระทบมันต้องเกิดภาพนะคุณไม่ได้หลับตาตาคุณไม่บอดใช่ไหมมันต้องเกิดภาพในจอแต่คุณไม่ได้ไปกาหนด ภาพนั้นในในของคุณน่นะคุณก็ไม่เห็นคุณก็ไม่มีกายในกายนั้นไม่ไม่รู้รว่าองค์ประชุมของภาพนั้นเป็นยังไงคืออะไรเคยไหมล่ะแต่ละคนเคยไหมล่ะใช่ไหมตาคุณก็เป่งยแสงกระทบตรงเลยแสงมันเดินทางมันไม่เบี้ยวนะกระทบจอตานะจมูกม่านตามันก็ทบเลยนะแต่คุณไม่ได้ เอาจิตมาสัญญากำหนดหมายมันรับรู้มันด้วยคุณก็ไม่ไม่เห็นว่ามันมีกายไม่เห็นองค์ประชุมอันนั้นไม่เห็นรูปอันนั้นกายในกายอันนั้นใช่มหมนเพราะฉะนั้นกายในกายนี่มันกเกิดจากภายนอกอเป็นรูปเป็นร่างได้แต่มันไม่ใช่สดของจริงทีนี้ พอเวลาอธิบายต่ออีกซ้มซ้อนเมื่อวานนี้อธิบายมาวันนี้ก็าอธิบายไปแล้วตอนตอน้นอธิบายอีกมาเป็นกายในกายนั้นจะเป็นภาพกฎตามจะรูปในนั้นกดตามเอา้าเนี่ยรูปเงาะนี่ อ, อ้าไอ้เงาะนี่มันอยู่ข้างนอกนะอย่าดันยัดเขาเ้าไปในรูปกตานะเพราะฉะนั้นมันจะเป็นรูปข้างในเป็นกายในกายมันก็เป็นรูปที่ถูกรู้นะ เป็นองค์ประชุมจากข้างนอกไปหาข้างในแต่รูปที่ถูกรู้นี่คุณมีนามมาทําที่ร่วมปรุงแต่งในนั้นโดยเฉพาะคุณมีกามเป็นตัวเหตุเลยเป็นกิเลสโอ้โหอยากแล้วก็ตรงสเปกด้วยตรงกับอุปท า, านที่เยอะไปต้องอย่างนี้เออต้องสีอย่างนี้ต้องรูปร่างว่าเรียบร้อยอออือืดี ไ, ม, ดไม่ดีทำไมกลิ่นกลิ่นอย่างนี้ด้วยอความปรุงแต่งในองค์ประชุม คือคำว่ากายจิตจิต น, นั่นคือสังขารคือสังขารนี่เพิ่มจากค่าร้อยเฟรมเป็นหกร้อยเฟรมแล้วนะใช่ไหมมันก็ปรุเป็นสังขารไอ้สังขารที่ปรุงแต่งอย่างนั้นนะเกิดการอารมณ์ความรู้สึกมันปรุงแต่งมันเป็นความรู้สึกโอ้มันมีกาเป็นตัวเหตุอยู่ข้างในร่วมปรุงอยู่แล้วแล้วก็ตรงกระสเปกอีกตรงตรงอุปทานอีกโอ้สุขชอบ เอาเลยอยากดีบาได้ได้ด้วยได้ด้วยมาด้วยเสร็จแล้วแทนที่จะเห็นแต่แค่รูปรีบปอกรีบใส่ปากรีบเคี้ยวรีบกลืนสำลักเลยเพราะว่ารีบไป <c oughs> วิธีอธิบาย <c oughs> ให้มันดูไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ง่วงนักนแต่คนก็ท บ, บใจคนก็เกิดรถเป็นสุขารมณ์ เป็นอารมณ์สุขอารมณ์ชื่นใจอารมณ์พอใจเป็นอิทธารมเป็นเวทนากายในกายนั่นแหละเป็นสังขารแล้วก็เป็นเวทนาแล้วก็เป็นสุขเป็นทุกข์อะไรต่อะไรเป็นเวทนาในเวทนาเป็นสุขเป็นทุกข์มันมาจากเหตุอะไรคุณต้องตามตัวมันจากตัณหาเป็นตัวเหตุจากอุปทานเป็นตัวเหตุคุณก็ค้นตัวนี้ให้ได้ถ้าคนไม่ได้วิธีก็บอกว่า ทูตุลาบอกติดเงาะอยากกินเงาะนี่วิธีคุบายเครื่องออกพอมันสัมผัสต่างตาโอ้โหสเปกสเปกไว้ยากอยา ก, ยากทีนี่ระดินไม่ให้มันดินนี่แหละนี่เนี่นี่นนอย่าไปตามใจมันอ่าไม่กินเงาะไปกินเนี้ยแทนก็ได้อ่าไปกินเนี้ยวอะไรนี่เป็นต้นอะไรที่มันคล้ายกันทดแทนหรือจริงๆแล้วคนเอ า, าธาตุอะไรจากเงาะล่ะมันมีาธาตุอะไรบ้างที่จะเป็น ธาตุอาหารที่จะเป็นเลี้ยงร่างกายคุณก็ไปกินอื่นที่มันไม่เป็นอย่างนี้แทนก็ได้นี่คุณก็ไม่มีปัญหาอะไรสำหรับร่างกายที่คุณต้องการสึ่งเหล่านี้คุณไม่ต้องการรถนั้นหรอกรถนั้นเป็นของหลอกคุณแล้วคุณก็เป็นธาตุมันอย่างไรดีถ้าไม่ได้ก็ดินก็รน่นถ้าได้ก็หลงถูกหลอกไปสุขริกกะถูกสุขแทสสุขไม่จริงหลอกสุขตาม ที่คุณยึดติดอยู่อย่างนั้นเนี่ยถ้าไม่ยึดไม่ติดอะไรมันก็เลิกสุกมันก็กินก็กินทรสอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ตามธรรมชาติมันเป็นออเพราะงั้นในความจริงที่พระเจ้าสัจจสัรเนี่ย็คือเอาสดๆเอาจริงๆอันนี้มาปฏิบัติมาเรียนรู้แล้วก็จะลดละเป็นๆ น, นี้ได้ทุมทําได้แตงแต่เป็นๆ น, นี้ไปตายมันก็ได้ ทำได้ตแต่จะเป็นเป็นนี่เป็นโสดาตายก็เป็นโซดาถ้าคุณทำเป็นเป็นนี่ไม่ได้ตายไปคุณไม่มีทางปฏิบัติเพราะไม่มีผัทะเป็นปัจจัยมันก็มีแต่ใจมันนอยาตนากรรมมายาตนะรุงแต่งยังไงก็เป็นของแห้งๆอย่างนั้นแหละแต่คุณก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าจิตที่เป็นอุปท า, านคุณก็ไม่ได้ล้างของแห้งยังไงมันก็ไม่ใช่ของสด แต่คุณก็ต้องทําแม้คุณยังไม่ตายคุณยังทําเลยใช่ไหมสดไม่ได้คุณก็สร้างอารมณ์เองปรุงแต่งเองสุกเพลอ่นฝันไปเองใช่ไหมแต่มันไม่ได้ล้างอุปทานมันไม่ได้เรียนรู้เลยว่ามันเป็นอุปทานมันเป็นตันหาแล้วก็มันก็ยึดอยู่เงี้ยจนมันไม่ยึดแล้วมัน เข้าใจแล้วเลิกแล้วล้างได้จริงๆด้วยปัญญาที่ชัดเจนคุณก็หมดจริงตามแบบฉบับของพรุทธเจา้าเมื่อหมดได้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จบและมันไม่ฟื้นอีกเลยของพุทธเจ้านี่ยืนยันรับรองด้งยวิทยาศาสตร์เป็นของเสถียรทำได้อย่างยั่งยืนได้นะเพราะฉะนั้นของจริงจึงลืมตาปฏิบัติ อาตมาว่าคนที่แย้งอาตมามานี่ดีขอบคุณอาตมาจะได้หาทั้งเหตุผลหลักฐานทั้งความรู้ในทุกๆวิธีที่จะยืนยันชี้หนักชี้แจงให้มันชัดชัดขึ้นชัดขึ้ น, นเรื่อยๆใช่ไหมอ่ามันก็ดีนะอ่ะอเนาเพราะฉะนั้นก็เอาต่าๆกระทบภายนอกนี่ละไปะปรุงแต่งกันไปพเพราะฉะนั้นข้างในมันก็เป็นของแห้งอ่าเพระ พ, พุทธเจ้าท่านสอนต้องมีพั ท, ทุกขั้นตอน หยาบกลางละเอียดไปเป็นลําดับเ <c oughs> <c oughs> วทนาในเวทนารวมทั้งจิตในจิตและทําในธรรด้วยน่าเป็นกายและเวทนารวมทั้งสี่สภาวะของนามรูปเหล่านี้เรียกว่าอุปาทายรูปใช่ก็อธิบายแล้วต่อเนื่องจากตากระทบรูปก็ไปเป็นรูปข้างในเป็นกายในกายอุปาทายรูปท่านไม่ได้อธิบายว่าอุปาทายรูปนั้นมีแค่นั้นมันก็ต่อเข้าไปอีกเป็นเวทนาเป็น รูปเป็นนามมารูปเป็นเวทนาเป็นจิตแม้ที่สุดมันก็ไปฝังอยู่ในใจเรียงว่าทรงไว้เรียกวัาธรรมะนั่นแหละมันก็เป็นสิ่งที่ทรงไว้ถ้าทรงไว้เป็นความจำเฉยๆมันไม่เป็นอาการของกิเลสตัณหาอุปาทานมันก็ทรงไวเฉยๆแต่ถ้ามันเป็นกิเลสตัณหาอุปานมันก็ออกบทบาทตามที่มันกิเลสอย่างไรมันก็ยาอย่างนั้น มันก็เป็นไปตามที่มันเป็นนะทีกรุณาอธิบายความเชื่อมโยงระหว่างมโนมยอัพตากับโอราดิกอัตตาและอรูปรอัตตาด้วยอธิบายไปแล้วหลายรอบพยายามตั้งใจฟังดีๆนะไปเป็นรูปข้างในไปนเป็นอัตตาข้างในเรียกว่ามโนมยอัพตาสำเร็จด้วยจิตเพราะฉะนั้นถ้าคุณเองคุณไม่ใช้ตากระทบรูปแล้วโอราดิกอัตตา แล้วก็เกิดอัตตาเกิดตัวตนที่คุณยึดทุนจิตนั่นนะตั้งแต่ของหยาบคุณก็ไปมีจิตที่สำเร็จได้จิตเองโดยเอาสัญญานึกขึ้นมาเป็นมโนโมยอัตตาปั้นขึ้นมาแม้มันไม่มีคุณก็สร้างมาเองได้เรียกว่ามโนโมยอัตตาสร้างฝันเอาเองอย่าเอาอย่างแหมสเปกตรงสเปกทั้งยังไงก็ได้ก็เพอ้อไปก็นึกว่าจริงก็เผลอเผอเไป นะสัตว์อรูปนั้นก็คือสภาพที่มีความหมายเนียาวว่าหนึ่งมันไม่เป็นรูปเป็นร่างสองมันเป็นเรื่องที่ละเอียดลึกซึ้งไปขั้นขั้นปลายเป็นความหมายเพื่อง่า ย, ายๆสองอย่างนี้เท่านั้นนะเพราะงั้นก็เป็นขั้นตอนไปทั้งนั้นเองเอาต่อมาว่าคําว่าจิตเจตสิครูปนะนี่เน้นตัวคําว่ารูปตีกรอบมาจิตเจตสิครูปนิพานนั้น เวลาปฏิบัติคือจัดการอ่านจิตและเจตสิกจับอ่านให้ได้บทบาทจิตเจตสิกทั้งหลายที่เกิดมาประชุมเป็นกายแต่ละขณะรูปตัวนี้เป็นรูปของกายที่เกิดแต่ปัตตากะทบจิตเจตสิกทั้งหมดตั้งแต่เริ่มกระทบนอกมองเลียนมหาปุตตรูปจน้าเป็นในปุปาทายรูปมีสัญญากาหนดกำหนดรู้จัดการ ประหารจนกิเลสตนะวประทานห ม, หมดบทบาทเป็นจิตนิโรธเมื่อมีสัญญากําหนดรู้ทุกขั้นตอนของบทบาทจิตเจตสิกตั้งแต่เริ่มสัมผัสจนจัด ก, การชําระสะอาดอย่างนี้บทบาททั้งหมดที่ถูกรู้นี้คือรูปตัวนี้ใช่ไหมคะทุกต้องแล้วครับอ่าแล้วนิพานเป็นนามหรือไม่ใช่นิพานไม่เป็นทั้งรูปเป็นนาม ดาวเราหมดนี่พานมันว่างเลยตัวมันเองมันไม่มีทั้งธาตุรู้มันไม่เป็นทั้งถูกรู้มันไม่มีอะไรนี่พานเหมือนศูนย์ต่างเปล่า น, านิ่นี่พานเป็นคําอธิบายยากนักที่อุปมาด้วยเรียบเทียบอะไรก็ยากจากโคราดการพิจารณาธรรมพระพุทธเจ้าจะได้จะตุตะฌาน ชาที่สี่พิจารณาธรรมเราเรียกว่าอัตตัตมาสมาธิไม่เคยได้ยินอัตมาสมาธิผมได้ฟังนานแล้วอ๋อจากหลวงตามหาบัวอ๋อเขียนไว้ในประวัติพระอาจารย์มัน่นท่านบอกว่าเวลาพิจารณาธรรมต้องถอยหลังต้องถอยลงมาลงมามาที่อุปจารสมาธิ เอออัปปนาสมาธิมากกว่ามั้งไม่ใช่อัตมาอัปปนามากกว่ามั้งอ่าพิจฉานสีพิจารณาธรรมเราเรียกว่าอัตมาสมาธิคงเป็น อ, ปอัปปนาสมาธินสมาธิขั้นปลายมันมีคณิกาสมาธิอุปจารสมาธิแล้วก็อัปปนาสมาธิทีนี้บอกว่าหลวงตามหาบัวเขียนไว้ในประวัติอาจารย์มันจะบอกวเวลาพิจารณาธรรมต้องถอยลงมา ล อ, อยออมามาที่อุปจารสมาธิปแปลว่าสมาธิเฉียดเฉียดชานผิดไปจากพระเจ้าตรัสอ๋อคุณนี่บอกว่าผิดไปจากพระเจ้าตรัสและได้ฟังจากพุทธทาสท่านก็บอกเหมือนกันกันกบหลวงตามหาบัวคือถอยหลังมาที่อุปจารสมาธิเหมือนกันท่านบอกว่าจะใช้จตุจักรมันแน่นเกินไปต้องถอยลงมาที่อุปจารสมาธิจะขอที่ขอเรียนถามหลวงพ่อว่าทําไมอย่างนั้นต่างกันอย่างไรท่านมีความเห็นอย่างไร แม่ถามานี่เ ป, นเป็นประเด็นที่สำคัญมากเลยนะเป็นประเด็นที่ดีมากเลยอาตมาไม่มีเวลาจะตอบละเอียดขอตะไว้หน่อยตะนี่หมายความว่าติดไว้นะอ่าไว้ตอบอ่าไว้ตอบตั้งใจฟังติดตามเลยนะอยาอยากเกียดนะไว้ตอบวันวันต่อตอบไปตรงนี้อตาตมายังไม่มีรายการไว้วันพฤหัสหรือวันศุกร์นะวันใดที่เหมาะเหมาะดี ถ้ามันนี้ดีมากเลยอัตมาก็ตั้งใจจะอธิบายความต่างของสมาธิริชานของพุทธเจ้ากับฌานของฤาษีที่บอกว่าเข้าอปปนาสมาธิแล้วถอยมาของพระพุทธเจ้าไม่ถอยไม่เท ย, ยหรอกยิ่งกลัวมันถอยเลยของพระุทธเจ้านั่นยิ่งกลัวมันถอยเพราะฉะนั้นอันนี้อความแตกต่างที่จะชัดเจนที่จะเห็นได้จริงเลยว่ามันคนละวิธีมันคนละแบบผลคนละอย่างจะได้นคนละอย่างจริงๆ อ่นี่เป็นเรื่องของอุตตริมุตซำในเรื่องของฌานขงสมาธิที่มันมีวิชาทิฏฐิกับสมาธิทิฏฐิไว้ค่อยอ่าเอาไว้อัตมาอธิบายแน่อันนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ตั้งใจอยากจะอธิบายสู่กันฟังอยู่แล้วและเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะว่าเข้าใจผิดหรือว่าหลงผิดกันมากาก็ควรจะต้องแก้ความผิดนี้ให้มันถูกต้องอัตมามัน่นใจว่าผิดนะแต่จะไปหาว่าอัตมาตูสุขของวิญญาณมาจากไหนคะ มาจากที่ก็เรียกว่าสมมุติรู้ร่วมกันอย่างนี้เราเรียกว่าสุขสุขแบบโลกีก็เ er. ลยรู้ๆคลายกันไปหมดเลยปุถุชนคลายสุขนี้หมดขอพระเจ้ามาบอกว่าไอ้สุอย่างงั้นไม่สุขรู้ปวิโรสุขรู้ว่านิพพานปรับปรายสุขครั้งไม่ได้หรอกอันนี้ยังยืนกว่าแล้วก็เบ้าสบายกว่าก็มาเรียนรู้คําว่าสุขเนี่ยนะสุขนี้มาจากภาษาบาลีว่าสุกับขะสุแปลว่าดีกะนี่คือว่า แต่ว่าว่างว่างเนี่ยดีนะขอตอบเปเท่านี้ก่อนอยากทราบว่างานพระราดรนภาพจัดขึ้นเพื่อประชุมพักเพื่อฟ้าดินหรือเป็นงานประจําปีของชาวโศกที่ยาติธรรมและหน่วยงานวัดไปร่วมได้คะเป็นงานของชาวโศกที่เป็นอประเพณีอ่าเป็นงานประจําปีของทางด้านพักตา้า ที่เขาเรียกพระราดรภาพศาบซึ่งใจเนี่ยอ <c oughs> เขาตั้งเป็นเหมือนกัาออะไรนะที่ราอะใต้อ่ะมโนลาออ่าภาษาเหมือนมโนลาดีเหมือนกันมาพระราดรนภาพซาบซึ่งใจภาษาเหมือนมโนลาอาตมาไม่ได้พูดวลีเก น, นะอาตมาว่ามโนลาเหมือนภาษามโนลาเ <c oughs> ออก็ ประชุมพักเพื่อฟ้าดินเขาก็เลยเอาใช้โอกาสที่พวกเราผู้ชาวโศกไปรวมตัวกันเพราะพวกเราเนี่ยเวลาจะรวมตัวกันก็เวลามีงานเนี่ยเสมอมีงานประจําปีงานเทศกาลของพวกเราเสร็จแล้วก็เวลานั้นแหละพวกเราไปรวมกันเยอะชาวโศกก็เลยใช้โอกาสนั้นมีงานสําคัญอะไรมีกิจอะไร ก, ะการกา ร, การเมืองนะหรือพักฟ้าดินก็เป็นการเมืองที่พวกเรามีพักมีก็เลย ใช้ประโยชน์ในเวลาประชุมกันหรือทาอะไรกันก็พราเราเป็นสมาชิกอยู่ด้วยอะไรด้วยก็เลยทํานะจะบอกว่าเป็น เ, เป็นงานการเมืองหรือ ว, ว่าเป็นงานประเพณีการเมืองก็เป็นงานของเราอันหนึ่งของปษัตริย์ด้วยเราไม่ได้ไดูดายเรื่องการเมืองนะแล้วเขาบอกว่าการเมืองไม่ใช่เรื่องธรรมะอันนั้นอาจามาก็พูดไปมากแล้วว่าอันนี้นอย่เข้าใจผิดมันเป็นธรรมะอย่างยิ่งการเมืองถ้าไม่มีธรรมะจะบัรรลัยนะ โอ้เวลาหมดแล้วอัตมามีไปปึ้งใหญ่เลยเทศธนาวันบรรยายยาวเกินจักุราชพูะเจ้าตรัสไว้การแสดงธรรมที่เป็นธรรมะของพูะเจ้านั้นเปรียบเสมือนงายของที่คว่มเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางจุดแสงสว่างในที่มืดท่านปพธิรัตธรรมถูกแล้วแต่คุณแปด5็ดศูนย์ห้าไม่เข้าใจเองเขาไม่ค่อยเคลียก็ละก็เขา้เขาใจได้แค่นั้น ก็ต้องว่ากันไปเอาพ่อพครูเคลียร์ที่สุดแล้วครับนนแนนคนนี้วันนี้อยากจะชมพ่อท่านว่าเป็นผู้ที่มีแต่ความแน่แท้แน่นอนยิ่งนักครับคําว่าเป็นผู้แน่แท้แน่นอนนั้นพระสาริบุตรได้จําแนกให้รู้ในยะต่างๆว่าเป็นผู้ที่สามารถกล่าวได้โดยส่วนเดียวคือเอกังส ว, รรวัสวจนังนะเอกังส ว, รรวัจนังไม่มีความสงสัยนิสยาวจนัง นิสังสยวัจจนาเป็นคำกล่าวตอบไม่มีเครือบแคลงนิจังขวัจจนาเป็นคำกล่าวที่ไม่มีสองในอเทววัชวัจจนาเป็นคำกล่าวอันไม่ผิดอปันน ก, กวัจจนานี่คือบุคคลผู้มีความแน่แท้ครับโอ้มีหลักฐานยืนยันเยอะดีคนนี้เป็นนักศึกษาอยู่คนพาอยู่อาตมาเอาไว้ด้วยเพราะอาตมาก็ยังคุ้เจอเหมือนกัน ก็เก็บไว้มีพยัญชนะพวกนี้เอามาใช้หากินต่อไปเจ้าของดีๆเราเก็บไว้ใช้นอะเราเองเราเพิ่งได้ยืนยันว่าพระาดีบุตรท่านพูดอย่างนี้เราก็ต้องเอาอย่างสิของของดีนี่ออกมาจากสตำราแน่นอนอก็ดีแล้วคุณหกเจ็ดเจ็ดแล้วหกกเจ็ดเจดเนาะนักบวชต้องรักษาศีลจึงไม่สามารถฟังเพลงหรือดนตรีเป็นการพักผ่อนใช่หรือไม่ นักบวชคือผู้ที่พยายามละลางกิเลสเพราะฉะนั้นวิธีอุบายเครื่องออกพลากมาที่ชุ่มในายางออกจากน้ำคุณยังติดดนตรีดุติดเพลงเยอะแตะเข้าไปแล้วโอ้โหคุณไม่เป็นตัวเองเลยถูกมันดึงดูด้อไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงที่จะเรียนรู้อ่านจิตตัวเองไม่ได้ต่อสู้กับจิตพิจารณาจิตก็ไม่ได้ มันไปเพลิดเพลินไปกังกิเลสนั่นเลยอย่างนี้คุณก็ควรจะพากไม้ที่ชุ่มในยางจากน้าอย่าไปดูมันอย่าไปฟังมันเป็นเบื้องต้นแต่พอฟังได้แล้วคุณมีกําลังจิตพอสมควรที่จะสัมผัสแล้วก็เห็นของจริงเลยนี่เนี่ยจินของเรากำลังยินดีกําลังไปอร่อยกําลังไปปรุงแต่ง อ่าคุณก็จะต้องอ่านามันว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นเหตุแห่งสุขเป็นเหตุทุกข์แล้วก็พิจรารณาโดยเข้าใจจริงๆเลยว่ามันไม่มีอะไรมันเป็นสุ ข, ขาลิกะมันเป็นสุขเท็จมันเป็นสุขหลอกๆไม่ว่าจะแค่เสียงเพลงอื่นๆที่คุณเป็นตัวอย่างถ้ายิ่งปฏิบัติมาแล้วก็เหมือนกันสุขทุกข์มันโตัวเป็นสุขเป็นทุกข์อันเดียวกันรถปรุงแต่งสัมผัสแล้วก็เกิดเในปัจจัย แล้วคุณก็หลงไปตามที่คุณยึดถือเท่านั้นเองนะพิจารณางี้มันก็จะถ้าฟังแล้วตั้งใจพิจารณาเห็นเลยว่ามันไปตามามันวนเวียนอยู่เงี้ยเดี่องก็สู่เรื่องก็ทุ่รื่องก็ไปหายไปแล้วก็มาแล้วก็หายไปอยู่เงี้ยถ้าคุณติดมากก็คิดถึงมันบ่อยหรือไปเจอมันก็เกิดบ่อยถ้าคุณลดลดได้แล้วก็เจอมันบ่อยเท่าไหร่มันก็ไม่เกิดอะไรชนะมันแล้วสัมผัสมันยังไงมันก็ไม่เกิดเลยทั้า ก็เห็นอยู่มันรู้อยู่บนของจริงอย่างนี้แหละจะเป็นเพลงกับเพลงป้ายอัตมา ท, ทุกวันนี้ยังมีคนมาพยายามให้อัตมาแต่งเพลงต่ออัตมาก็บอกมันไม่ไหวอยู่ตอนนี้มันงานเยอะด้วยแล้วมันก็ไม่ไหวแล้วแล้วมันก็ไม่สมัยทันสมัยก็เขาแล้วตาแต่งเอาไปอัตมาก็มีแต่สมุดเก่าเพราอัตมาไม่ได้ปรุงร่วมของเพลงสมัยใหม่ สมัยใหม่มันก็แปลกมันก็ใหม่มันก็ปรุงแบบใหม่ไปเอารถใหม่เอายางใหม่มามายึดถือกันไปใหม่อาตมาก็ไม่ได้ยึดถือตามเขาเพราะฉะนั้นก็มาทํามันก็ใหม่ทันสมัยมันก็ไม่ร่วมสมัยมันก็เฉยมันก็อะไรด้วยก็หลายอย่างอาตมาก็เอานะอาตมาคนอื่นก็มีพวกที่แต่งเพลงอีกรุ่น้ลงๆก็เยอะแยะไปก็แต่งกันใช้ได้พวกเราก็ไม่ได้ขาดแคลนอะไรก็แต่งก็ทํากันอยู่เนี่ยนะก็ก็เลยไม่ทํา เพราะง่ในเรื่องเพลงนี่ก็เหมือนกันนะ่ก็เอาพยายามพิจารณาเรียนรู้จริงๆผมชมรู้สึกเอ็นดูคุณแปดเจ็ดูนห้าอ๋อคุณนี่ดีจิตใจดีชมรู้สึกเอ็นดูคุณแปดเจ็ดูดดนย์ห้าฝากความถามพระครูว่าคนอย่างแปดเจ็ดูนย์ห้าเนี่ยเวลาเจ็บเวลาป่วยเจ็บหรือจะตายคงจะลำบากน่าดูเลยเนาะเพราะคงจะ อย่างนั้นอย่างนี้ไ อ, นนไอ้นั่นไอ้นี่พระรุงพะรังเป็นพเพลอเลยทํานายได้เลยจากพฤติกรรมปัจจุบันจะทํานายอนาคตได้ไงคะอ๋คนนี้ช่างสังเกตช่างอ่านอ่ะก็วิจัยวิจารณมาไปในทีแต่ก็เอ็นดูเนาะก็ยังดีจากผู้ติดตามชมชาวโซมีวิธีกําจัดปลวกอย่างไรคะบอกไม่ได้อัตมาไม่มีไม่มีสิทธิ์อัตมาเป็นธรรมณะ อบอกกำจัดปลวกไม่ได้บอกได้โดยวิธีของอาตมาคือวิ่งหนีนั่นคือการกำจัดปลวกของอาตมาปวกมันมาเราก็วิ่งหนีมันไปมันก็ไปอยู่ของมันไปตามธรรมของมันตามธรรมชาติของมันเราก็วิ่งหนีมันอย่างเดียวนี้สำหรับอาตมาวิธีบอกอาตมาบอกได้อย่างนี้แต่คนอื่นมันไม่ได้คนอื่นเขาก็อาจจะมีวิธีอะไรอื่นก็ว่ากันไปป้องกันบางอะไรบางอาตมาไม่เก่งนะ จากคุณแสงมืดโอ้คนนี้แสงมืดมันเป็นยังไงไว้แสงมืดมืดมันมืดมันไม่มีแสงอยู่แล้วมันแสงเป็นยังไงแสงมืดแสงดำํำมันมีก็แสงดำอ่าอยากให้พระครัวอธิบายความหมายของคําว่าสัจจะความจริงความเชื่อความเฟอรครับมีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับเอาหน้าแล้วค่อยศึกษาไปนะสัจจะ ม, มันแปลว่าเป็นภทยว่าความจริงเนี่ย ส่วนความเชื่อกับมินัยยะอย่างหนึ่งความเฟอร์ก็อีกอย่างหนึ่งนะก็ค่อยๆติดตามไปมันกจะค่อยๆเข้าใจว่าความเชื่อคืออย่างไรความเฟอร์คืออย่างไรมันไม่น่าจะยากอะไรมากมายนะมันมีไอ้ที่ยากกว่านี้อ่ะจิตตามไปอันนี้ขอค้างๆเอาไว้ให้คุณติดตามกัยก็แล้วกันเอานะาแสงเรียกว่ารุ่งอรุณมาก็แล้วกันอย่างพึงมืดเลยพยายามเป็นแสงอรุณรุ่งมาเรื่อยๆน่อคุณจะเชิงเศรา ในอดีตนูทําไม่ดีไว้เยอะกรรมมันก็สนองมาเรื่อยๆเป็นระยะเป็นระยะแล้วมันก็จะขึ้นมาหลอนให้ในความนึกคิดเสมอทาให้ไม่มีสมาธิหรูอจะปฏิบัติอย่างไรจรึงจะหายและจะมีโอกาสหายไหมมันจะขึ้นมาเรื่อยๆหายติดตามฟังติดตามปฏิบัติไปตามลําดับนะเคยคฟังนะวันนี้มันหมดเวลาแล้วจริงๆนี่อาตมาพยายามรีบๆอยู่ๆเฉยแต่เอาละตออ่อไปสองแผงกันเลยกั น, ก น, กน มันงั้นหมดไม่ไหวหรอกมันเลยเวลาก็ไปเยอะแล้วน่ะอ้าวอีสองแผน่นโอ้โหอีสองแผนน่นเนี่ยั้งสี่ปัญหาเลยเนี่ยฟังเจ้าอาวาสวัดหนึ่งบอกว่านิพพานเป็นอัตตาโดยยกอัตออนตตลลัคนาสูตรด้วยนะคนเขาจะผิดในพยัญชนะอล้วก็ไปตีความของนี้มีอยู่เยอะติดตามีดีศึกษาดีๆีน่ะนิพพานเป็นอัตตาไม่ได้หรอกนะนิพพานเป็นอนัตตาน่ะเราตอไปแค่นี้ก่อนก็แล้วกัน มันเห็นต่ตางกันในอนัตตลกขณะสูตรนะเดียยิ่งชัดตะไปตีความกันอย่างนี้แหละคนเราก็ตีความไปได้ต่า ง, น, น, งนานาพยัญชนะนี่มันจะพาไปได้จากสองโลกเพื่ อ, อนบุญผู้ที่ปฏิบัติธรรมที่เป็นมิจฉาทิฏฐิจัดว่าเป็นโมคะบุรุษหรือไม่ครับก็มิจฉาทิฏฐิก็โมคะสิมันไม่ได้จากเชิงรายขอเรียนถามว่าสังคมทุกวันนี้แย่มาก ประเทศเราจะล้มคลืนไม่เหลืออะไรหมดสิ้นไปเลยแล้วใช่ไหมคะรู้สึกเป็นห่วงเป็นกังวลขอถามพ่อครูคะอ่าตอนนี้เหตุการณ์ของบ้านเมืองมันเป็นอย่างที่คุณว่าเหมือนกันะซึ่งเหตุการณ์มันอย่างนี้คุณก็สอดส่องบ้างเพราะว่าบ้านเมืองเราก็อยู่ด้วยกันมันก็เหมือนบ้านเราไม่ใช่เหมือนว่ามันบ้านเราด้วยจริงๆก็ดูถ้าเพื่อว่ามันพอจะออกไปช่วยกันได้ตอนนี้ก็มีความต้องการ้องการช่วยเหลือ ตามระบบระบีบของประชาธิปธไตยของเราถึงของไทยที่มีพระมหกากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเนี่ยก็มีกฎมีเกณฑ์มีหลักมีฐานมีหลักมิการอะไรของมันอยู่ก็เขาเรียกร้องกันไปช่วยเหลือกันเพื่อที่จะแสดงมวลท่นานทมากรบอกว่าประชาธิปธไตยคือออกไปแสดงมวลหนึ่งคนก็หนึ่งคะแนนเสียงหนึ่งคนหนึ่งเสียงหนึ่งคนหนึ่งเสียงเอาไปรวมกันแสดงมวลที่รวมตัวกันนั่นแหละคือการแสดงความเป็นประชาธิปธไตย ก็อธิบายง่ายๆนะแต่ก็ทําไมไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ออกไปทําหลายคนนะอยากจะให้เหตุการณ์มันเปลี่ยนแปลงก็ไปแสดงความเป็นประชาธิปไตยสิล้วก็จะจ ะ, จะมีะการเปลี่ยนแปลงถ้าคนออกไปแสดงความเห็นร่วมกันว่าเราไม่เอาอันนี้เราเห็นด้วยเลยว่าอย่างนี้เราไม่เอาแล้วก็เรียกร้องออกมาออกมาช่วยกันมาแสดงสงบเรียบร้อยไม่ต้องไปเอาอาวุธอะไรไป แล้วก็สงบเรียบร้อยไปไปแสดงความจริงความนี้ให้เห็นตามหลักธรรมาไอ้ตามหลักธรรมนูญนิติรัฐนี่จะทำนี่จะไหนจะบอกไปหมดแล้วไปบอกแสดงเท่านั้นสงบสงบธรรมดาเนี่แหละเนะออกไปแล้วก็บอกว่าเาเราไม่เอาเราไม่เอาไม่เอาอะไรคุณก็ตรงกันอยู่แล้วคุณก็บอกออกไปเท่านั้นมาให้มากประเทศไทยยังไม่เคยมีความรวมตัวกันมากพอที่จะมีอํานาจมีมีฤทธิม์มีพลังพอลองแสดงดูสิ น, นะอาตมาว่าประมาณล้านคนเนี่ย มีพลแน่นอนเลยเมืองไทยยังไม่เคยมีถ้าออกมารวมตัวกันเป็นล้านคนนี่นะด้วอจะทํานัดแน่กันเลยว่าวันนี้เวลาเนี้นาวันวอเวลานอเอาวันนี้ทั่วประเทศต่างประเทศด้วยออกมาแสดงเลยเวลานี้วันวอเวลานอออกมาแสดงว่านี่แหะคือออกมาปฐุมชุดปทวกแม้จะอยู่กับคนละถิ่นคนละที่แต่เวลาตรงกันและอยู่อะไรตรงกันเนี่ยมันจะเกิดประโยชน์เลยวันนี้คือมวลความเห็นของ ของมวลประชาธิปไตยนี่คือประชาธิปไตยที่อันดับหนึ่งสดกว่าการเลือกตั้งเลือกตั้งอาตมาเคยอธิบายแล้วว่าการเลือกตั้งนันเปโอ้โหประชาธิปไตยระดับห้าอันนี้มันระดับเอกระดับหนึ่งสดสดทันทีเลยเนื้อแท้ของประชาชนตรงๆเลยเข้าใจประชาธิปไตยให้ดีสิไอ้ประชาธิปไตยอันดับห้ามันไม่มีเวลาจะอธิบายแล้วนะไอเลือกตั้งมันเป็นตัวแทนเท่านั้นเองด้วย นะมันไม่ใช่ขั้นหนึ่งเลยขั้นห้าออกมาแสดงเสียงคาแดงเสียงสดๆนี่ประชาธิปไตยสดๆนี่ออกมาแสดงมวลเลยตอนนี้มีเหตุการณ์ให้คุณแสดงได้โดยดังดีเลยถ้าคุณเห็นด้วยไม่ได้บังคับนะแต่ใครเห็นด้วยแบบนี้ออกมาเลยะสงบใครจะมาตีรันพันแทงเราก็เรี่ยงเอาอย่าไปทําเพราะมันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะทําออกมาแสดงความเห็นความรู้มันเป็นสิทธิมันเป็นเรื่องของประชาธิปไตยตรงๆเท่านั้นเองนะ ไม่ต้องยาต้องคายก็ยิ่งดียังไม่อยากไปคายเลยเอาเนื้อหาสาระบอกกันตรงๆแล้วจบนะดูฤิษณ์แรงของอำนาจอธิปไตยสิเอจะได้รู้อำนาจปชาาอธิปไตยเนี่ยอ้าวต่อมาอันสุดท้ายจากน้องดีอ๋อน้องดีพุทธิพินไพรหลวงปู่บอกว่าเรามีเวลาทุนรอนแรงงานคําว่าทุนรอนคืออะไรคะทุนรอนเนี่ยอ่า เมื่อแยกแล้วว่ามีเวลาทุนรอนเวลาทุนรอนแรงงานคือแรงกายและแรงความคิดแรงกายกับแรงความคิดนี่เราก็เราเอามาใช้ก็มีสิทธเต็มที่ทุนรอนเราอาจจะไม่มีนะแต่เราก็ต้องใช้ให้เป็นส่วนกลางและให้เป็นส่วนที่เราต้องใช้ทุนรอนมันต้องมีด้วยเพราะงั้นถ้าบอกว่าเราจะทำกิดทาการอะไรมันไม่มีทุนรอนเลยก็พร่อง ไม่ก็เต็มแต่ถ้ามีแรงงานอย่างเต็มที่เวลาทุกคนเท่ากันมีหมดไม่มีใครมากกว่าใครเลยเวลานอกจากคนคุณจัดทันเวลาคุณไม่ได้เพราะงั้นเวล า, าอย่าเสียไปโดยไรใครไรค่าหรือไร้ประโยชน์ทุนรอนถ้ามีก็อย่าไปเสียในสิ่งที่ไร้ค่าไรประโยชน์แรงงานก็อย่าไปเสียไปไร้ค่าในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เอามาใชใ้เป็นประโยชน์เรียกว่า เอาความสูญเสียของค่าคืนมาคนเอาสูญเสียเวลาสูญเสียแรงงานทั้งความคิดและแรงกายสูญเสียทุนรอนเนี่ยโดยไร้ค่าไล้ประโยชน์เยอะมากเลยเพราะฉะนาแมมาสร้างปัญญาให้รู้สิ่งเหล่านี้แล้วเอาความสูญเสียของค่าคืนมาคุณจะได้เวลาคืนจะได้ทุนรอนคืนจะได้แรงงานคืนและเอามาทำประโยชน์ให้แกมวลมนุษยชาติได้เป็นพระหุชนาหิตายะทวินสุขายะโลกาณุกรมปายะ จบรายการได้เพียงเท่านี้เลยเวลาก็ไปมากแล้วจเจริญทํา